จเจริญพรท่านสาธาชนพุทธบ้านทุกฝ่ายทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศะีนภาวนาเราก็จะเริ่มกับเด็กน้อยก่อนเอาอยู่โตเกียวเด็กนะนี่สี่ทุ่มนะนักคุณว่ายังไงนักคุณ อยานมาสักการพระอาจารย์เจ้าคะนี่ชื่อบอกวราจะร่ามีเมิกโอเคบอกว่าจะว่าหูมีมเมจิกน้องคุณอย่าสิบุกชื่อบอกว่าจะว่าหนูมีควาเมจกโอเคค่ะชื่อบอกว่าจะุ่าหนูบอกแล้วค่ะบอกแล้วครับอ่น้องคุณออกไปน้องคุณไม่คุยน้องคุณออกไปครับหนูดูว่าดูว่าใช่พระอาจารย์คะวันนี้ไปขึ้นศาลมาครั้งแรกค่ะอ่าเฉยเปล่าใจเฉยเปล่าเฉยค่ะจริงๆแล้ว คือนึกไว้ตลอดตั้งแต่นั่งรถไฟไปนั่งอยู่ในใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าให้ลองนึกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างให้เตรียมใจรับใช่ไหมคะอ่าค่ะเหมือนฝนฝนจะตกแล้วไม่ตกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมค ะ, ะค่ะคุะคะรูอาจารย์คือวันนี้มันเป็นการการการไก่เกลี่ยที่จริงๆจะบอกว่ามันโหดร้ายมันมัน มันไม่มีความมันจะเป็นเนื้อช่างมันไปเลยก็รู้ตามความเป็นจริงเลยค่ะพระอาจารย์มันรู้สึกแต่ความสั่งเวจ่ะค่ะว่าโอ้โออก็ทําไปได้เนาะแต่มันไม่มีความโกรธไม่มีความโมโหเลยค่ะซึ่งปกติมันน่าจะแบบค่ะโลกก็เป็นอย่างเนี้ยโลกก็ทำค่ะพระอาจารย์สรรเสริญเม่นินทาเวลาละกันก็ฉันสรรเสริเวลากอดกันก็ด่ากันค่ะ หนึ่งโชว์ว่าจะดอกบัวดีมากเลยค่ะได้ได้ทํามาแบบหนูจะชว์ว่าจะดอกบัวอ่ะคุณโชวดอกบัวค่ะอ่ะโชวดอกบัวอ่าสวยมากสวยมากนั่งสมาธิไหมครับอันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าครับอาจารย์ถามไปนี่ไหมครับไปไปครับเออเปลียนภาษาญี่ปุ่นนะภาษาอังกฤษค่ะให้เข้าอินเตอร์ค่ะอ๋อแล้วไม่แพงแล้วที่นั่ง เพราะเพราะว่าไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยปีนี้ให้เข้าอินเตอร์เพื่อที่บางทีถ้าเกิด worst case กลับไปไทยหรือว่าไปที่ไหนเขาจะได้ไปต่อโรงเรียนที่นั่นได้นะคะอ๋อ uh huh. ค่ะเมื่อวันจันนี้ครบสี่ขวบเต็มคะ่ะพระอาจารย์อืมอ uh ืม huh. ค่ะรู้เรื่องพอพอรู้เรื่องบ้างแล้วค่ะพาไปวัดมา uh huh. ไปนั่งให้พระอาจารย์ที่วัด ป่าพุทธรังสีโตเกียวดูค่ ะ, อะ <c oughs> บอกเป็นลูกศิษย์พระา <c oughs> อาจารย์ใ่ค่ะพระอาจารย์แต่วันนี้ธรรมะแล้วก็ข้อคิดต่างๆข้อธรรมต่างๆที่พระอาจารย์ได้เมตตาสั่งสอนมันเอามาใช้ได้จริงๆมากๆเลยค่ะบอเวลาจะเผลอแวบไปคิดโอะไม่ได้ไม่คิดถ้าคิดเราก็จะทุกข์ พอมันมีแวบไปคิดมันก็จะเริ่มแล้วค่ะพระอาจารย์ทําไมต้องอย่างนี้ทําไมต้องอย่างนี้ก็ต้องรีบดึงให้กลับมาเร็วที่สุดค่ะอ่ตกิตเลสมันร้ายนะมันไม่ยอมอมันไม่ยอมแพ้ใครนะมันไม่ยอมใจเย็นแปบบ๊แ บ, บเดียวเลยนะคะพระอาจารย์แบบแค่ชั่วแบบเอ้ยเผลอแว บ, บคิดไปเริ่มเริ่มแล้วเริ่มจะติดต่ตตอตั้งเริ่มคิดอะไรสติสติพุทโธพุทโธไม่คิดพอไม่คิดแล้วมันวางทุกข์ได้จริงๆนะคะพระอาจารย์ ใช่มันเกิดจากความคิดเหล่านี้แหละคิดด้วยความอยากค่ะสี่สิบปีไม่เคยสร้างมาก่อนเลยเพิ่งเพิ่งมาได้สร้างเนี่ยค่ะว่าอ๋อทำมาที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เองพอไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์มันไม่มีอะไรเลยมันมันเออมันโล่งถามว่ามันรู้สึกอะไรไหมมันก็มันอย่างที่เรียนพระอาจารย์คาว่ารู้สึกสังเวชว่าเออทําไมเขาถึงอยากได้อยากอะไรอย่างนั้นเนาะเขาคงอยากได้ เราก็ได้แต่อ๋อโอเคเป็นเป็นอ่าเป็นสิ่งที่เราพบเราเจ อ, อที่ผ่านก็ปล่อยผ่านมันไปค่ะไอ้ลูกเขาไม่เอาไม่ใช่เอาเ่าลูกไม่เอาค่ะแต่เขาขู่ค่ะว่าถ้าเรามไม่ยอมตกเขาก็จะเนีย่ยจะฟ้องร้องเอาลูกเอาอะไรนะอ๋อเขายกให้เขาไปเลยดี๋ยวบฉันจะนั่นไม่ต้องเรียก <laughs> ก็อย่าเรียกเอาไปเรียงเลยลูกก็ยังเป็นลูกเราอยู่นะั่น นั่ น, นสิครับมันก็จบถ้าเราถ้าเรายอมเอาแล้วก็เอาไปก็จบเขาก็ไม่เอาหรอกก็จะไปเรียงไหวที่ไหนเขาไม่ไหวค่ะเรียนไม่ไมค่ะเขาก็เลยยกมาไอาท้ที่ที่แบบมันไม่น่าจะเป็นความคิดของพ่อของคนเลยที่ไป <c ười> <c ười> <c ười> ถา ม, าา อ, มอาจารย์ว่าเอ๊ะไอพ่อลูกเลือกเกิดไม่ได้เนะว่าจะเกิดที่ไหนอืค่ะว่าอาจารย์ ก็เลยคิดว่าโอเคทำเพื่อคนคนหนึ่งแล้วการหนูก็อยู่ไปสอนลูกให้โกรธพ่อเขานะพ่อเขาก็มีบุญคุณกับเขาอยู่ค่ะพระอาจารย์พ่อเขาก็ยังให้กำเหนิดเขามาอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องแยกแยกเป็นส่วนส่วนไบุญคุณก็เป็นบุญคุณอได้ครับค่ะ อย่าไปยุยงให้ลูกเก็บพ่อไม่ดไม่ไม่ควรนะอ่าพระอาจารย์เราเกยนได้แตู่กไม่ควรจะเก็บค่ะมีแต่ต้องตอนนี้ช่วงนี้ต้องโกหกเขาอะค่ะว่าเนี่ยเขาส่งมาให้หนูไปเที่ยวไปนี่อะไรอะไรอย่างนี้นะหนูก็เลยแบบไม่อยากจะโกหกเลยแต่ว่าอคิดว่าฟ้องเด็กเด็กยังไม่เข้าใจเท่าไหร่พูดพูดจริงก็พังไม่รู้เรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะอืม ไม่ถือว่าเป็นเป็นการทําทําผิดกับลูกใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เราไม่ได้ปกปิดความชั่วของเราตลอดพูดดูแลให้เด็กเขาฟังแล้วเขาไม่ได้ไม่ต้องมาคอยสงสัยอยู่ด้วยค่ะก็เลยโกหกไปว่าเนี่ยเงินทุกอย่างมาจากทางพ่อของเขานะท า, ท, าทางที่ไม่ได้รับสักบ <laughs> าทเียค่ะให้ให้ให้เขาแบบใจว่าเขายังมีพ่ออยู่นะเออไม่เป็นไรแล้ว โกหกแบบนี้เราไม่ได้โกหกว่าเ อ, เอาประโยชน์จากใครค่ะพระอาจารย์เกินยังไม่ยอมจบพยายามจะจบอย่างที่เอเคยเรียนพระอาจารย์ค่ะว่าไม่อยากจะเป็นต่อเว น, นต่อกรรมกันแล้วอะแต่ว่าทนายเขาบอกว่าให้ให้ให้ยื่นไปก่อนเพราะว่าศาลญี่ปุ่นมันจะต้องแต่งเกียร์ก่อนแรแบบเอยอะยมากเลยค่ะว่ า, าทําไปตามขั้นตอนแต่เราไม่ต้องไปหวังอะไรค่ะพระอาจารย์ ตามมตามเกิดยินดีตามมีตามเกิดค่ะพระอาจารย์หนูก็ตามตามที่พระอาจารย์เทศจารย์สอนเลยค่ะเอาธรรมะนี้ค่ะพระอาจารย์เอาควเอาความเย็นสงบหัใจนี่ค่ะได้มาแล้วใจร้อนก็ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะวันนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองสําเร็จสําเร็จขั้นหนึ่งไปถึงไปผ่าน่ารู้สึกว่าเอ้ยทําไม เราควรจะต้องโกรธคือมันเป็นเรื่องที่น่าโกรธมากถ้าเป็นคนอื่นคือในห้องในห้องรอค่ะมีแบบเคสน่าจะเคสไก่เตีือเหมือนกันนะค่ะร้องไห้กันบัางอะไรกันบ้างขอบคุณแต่ทำไมเราไม่พอตนหูแค่ทาไม่ใหญ่ใหญ่เราเรารู้สึกเฉยนั่งวางใจแล้วก็นั่งมองคนอื่นเขาเออรู้สึกว่าเราประสบความสาเร็จมาขันหนึ่งแล้วค่ะอาจารย์อืออะ เหนืน่อยไปธรรมะเป็นที่พึ่งของใจอย่างแท้จริงกลาบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะที่เมตตาสั่งสอนค่ะอืมก็พยายามตั้งสติใช้ปัญญาใจรักมานิจกรรมทุกขงังอนัตตานั้นก็จะปลอดภัยนะค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์อย่าอาจารย์ที่จัดการแชที่ นามนับมรดกการพระจาังครับยังไงไปทําบุญเรือเ่องเด็กที่โรงเรียนมีความสุขไหมมีความสุขมากครับอไปรับใช้เขาเห็นเดินเสิร์ฟน้ําลครับเป็นช่วยช่วยแจขกของเกอครับไม่รู้สึกว่าเราเป็นเด็กเสิร์ฟนะครับอืมยินดีนะครับยินดีครับอืมเห่งเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขกนะันทั้งน่ะครับครับอืม เขไม่เคยกินของพวกนี้มาก่อนองนั้นรึเปล่ครั้งแรกที่มีคนเอาอันนี้ไปเรียนโงเรียนอ่าเป็นครั้งที่สามค่ะครูออบอกเธอมนี้เพิ่งเป็นครั้งที่สามออครั้งที่สามก็ดีแบ่งปันกันเมตตาบามีนทานบารมีนะออโอเควันนี้จะส่งการไาเ้เหรอใช่ครับอืมว่ามาเลย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 มีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะเราจะได้เราจะต้ได้รับของของกรรมนั้นนันสืบไปเราทั้งหลายคนพิจรารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดโอเคร่างกาย okay. ของเรามีอะไรบ้างมีผมนุขนเล็ บ, บฟันหนั ง, นงเนื้อเอ็นก <M. S 2> <M. S 1> ระดูก เพี่นในกระดูกม้าหัวใจตับังผืดไตปอดไซใหญ่ไซน้อยอาารหม่อาหารเก่าเพ้ยในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเจลบน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันนน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้น้ำข้อน้ำมูด น้ำมูดน้ำไส่เค็น้ำมูดน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมังค้นน้ำเหนียวน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีที่เลีในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังหือตับหัวใจหมาเยื่ในกระดูกกระดูก เอ็นเนื้อหนังฟันเล็บฝนเห็นบ้างไหมทุกวันทุกวันเวลาลองเงาในกระจกเห็นนาการถานที่สองไหมเห็นเยอะครับเห็นนะครับแล้วเห็นคนอื่นได้บ้าก็เห็นบ้างครับเห็นบ้างแต่เราไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมใชครับทำไมไม่เห็นนะมันไม่ยอมมันไม่ยอมเห็นนะ เนี่ยเขาเรียกว่าโมหะยมันปิดบางตาเราไวมเราต้องใช้ธรรมะแสงสว่างมาไล่โมหะความมืด อ, ออกไปจากใจเราครับครับดีมีอะไรมหมเกินนี้ไม่มีครับไม่มีนะครับอา่านน้ดก่อนนะครับขอบขอบขอบขรบคอบขบขอ บ, บขบอ อ่าบอนี่น้องด้ ว, วนต์ต่อน้องด้ ว, วนตฮอลแลนด์แลกวมนมสการตประจัญครับเอ่อวันนี้แกมีหนึ่งอะไรที่องฉาดภาพครับนอะทำอะไรมาหรอเอ่อมันเป็นล่าผมอยากเอาเล่นกับเพื่อนข้างบนกับเลโก้แต่ เ, เพื่อนเขามีเลโก้กัด้วยแล้วแม่ก็ไม่อยากเอาล่า เราไม่รู้เลโก้ของใครก็เลยถ้าเราเล่นกับเออเลโก้ของผมแล้วของเออเพื่อนเออทั้งสองก็แล้วก็เลโก้ของเขาก็ไม่รู้หรือแพืนของผมหรือแพืนของเขาแม่ก็พูดลาเออเออล า, มาไม่ได้จะอยู่ดีผมหิ้แล้วผมพูดลาเออเพื่อนทจะชิมชิมผมแล้วชิมอุ่นก่อนเลนะ เออ <reflects S 2> ผมผมก็พูดกับแม่และเออผมท้อมแต่จริงจิเออเออเอพูดถึงผมพูดละเพื่อนของผมเออฮีบเลโกของเขาใช่เป็นใช่แต่จวนเออผมเอ็มเอ่อจอห์นไอลงแปลทไหน่แม่ทำหนมอยว่เข้าใจคืออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์คือเพื่อนพอเอาเขาหยิบเลโกมาใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นเป็นกล่องเป็นแบบเป็นกล่องแล้วก็ใส่กระเป๋าเป้มาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้ว่า ยมเห็นว่าถ้าเอามาเล่นด้วยกันเนี่ยมันจะปนกันแล้วมันจะต้องแยกกันแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันต้องมานั่งนั่งแยกกันแบบเนี้ยมันจะปนกันนะคะก็เลยบอกว่าให้เอาของของเขาเนี่ยที่เอามาเนี่ยเอาวางไว้ข้างล่างตรงข้างล่างนะคะตร ง, ตร ง, ต, รงตรงประตูทางทางทางออกนะคะทีนี้เขาก็รับปากแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตะวันอ่ะห ย, ยิบแอบขึ้นไปอ่ะคะ่ะพระาอาจารย์แล้วก็โกหกว่าเพื่อนเป็นคนทํา แล้วก็โกหกเพื่อนเป็นคนทำํำแต่จริงๆแล้วตัวเขามาถักตัวเขาทําเองค่ะพอาจารย์เพราเขาอยากเล่นมากค่ะพอาจารย์อย่างนี้รายกาจมากนะแรงผิดแล้วยังไปย้อนความเพ็นได้กับคนอนื่นอั้ไงสใช่หต้องมาสร้าภาพกับนสองสองเท่าเลยเนะี่ยใช่ห้าทํานั่นอย่าไปกล่าวร้ายพูดนะนะถึงแม้เรารู้ว่าเขาทําเพ็นถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดก็อย่าไปพูดนะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา อเราไปพูดแล้นมันก็อาจะสร้างเวรสร้างกรรมให้กันได้ใช่ครับนะถ้า yeah. มันถึงไปพูดอย่างนั้นไม่มีสติแล้วอืมไม่มีสตินะกลัวแม่ว่าเลยไม่อืมไม่ยมอันนันนกระโดดกระโดดจริงจริงอ่ด้วยเนะี่ยกวแม่ว่าแล้วกลัวอะไรถึงต้องไปพูดกับเขาไงเอ่อ พล่าท่าพอมฮิบเล้าพูดช่างคนทิ่ม่กัครอดแต่พอ่าพอมพูดล้มานเป็นพื้นช่างก็พอมคลอร์ล้ไม่แล่กับพือนได้เลยอ่ะยังไงเลแปลว่าไงแปลว่าไงไม่ลูกม่ไลูกมันก็เป็นละพอมพูดแล้เพือนทาแต่ชิงชิมพอมแองทำแล้วพอมคลอร์ ล่ไม่เล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เลยก็พ่อม่ก็พูดล่อเอ๋อเขาเขาบอกว่าโยนความผิดไปให้เพื่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวแม่จะโมโหแล้วก็จะไม่ให้เขาเล่นกับเพื่อนคนนี้อีกอย่างเงี้คยค่ะาอันนี้ที่ยกเข้าใจอืมค่ะใช่แล้วพยายามพูดความจริงนะยอมรับดีกว่าอถ้าทําไม่งั้นก็เฉยเฉไปไม่ต้องพูดอะไรอืม ทำให้พูดอะไรก็ยังไม่ถือว่าโกหกค<ช>ุนแะา่ถามว่าใครทํำเลยเฉยๆอย่าไปบอกไม่รู้นะก็ไม่รู้ก็รู้ ไ, รไม่รู้ไม่รู้ก็โกหกเหมือนเฉยๆไปไม่ต้องพูดอะไรทำเป็นหูหนวกไปช่วงนั้นเป็นการโหนวกไป<ช>ถ้าเราไม่พูดคาบางคำให้เราพูดไม่ได้หนระอเข้าใจไหมใช่ค่ะโอเค ก็มีเพื่อนคนนึงค่ะพรอาจารย์ก่อนหน้าเนี้มีมีเพื่อนเขาสองคนคนนึงนี่โกหกมากเลยแล้วก็อีกคนนึงมาเล่นแล้วก็คมวยของไปก็เลยบอกเขาว่าไม่ให้ไปเล่นกับเพื่อนสองคนเนี้ยแต่ทีนี้ก็ทําซะเองนะคะเนี่ย <c oughs> ทำซะเองอ ม, มันมันแสดงจิตใต้สำเน็กมันยังมีในใจอย่างนี้อยู่อืเอามาแก้ไขเนี่ยต้องฝึกสติ ก่อนจะคิดก่อนจะพูดแล้วคิดให้ดีก่อนว่าผิดศีลก็ไม่ผิดศีลถ้าผิดศีลก็อย่าพูดเลยพูดไปในทางที่ถูกศีลก็คือยอมสารภาพนีกว่ะไม่สารภาพก็เดี๋ยวใจก็ไม่สบายไปโกหกยังไม่สบายใจเลยถ้าสารภาพผิดปับ๊บอ่ะมันก็โล่งออกไปเลยโล่งไหมตอนนี้โล่งไหมโล่งกว่า ม่อือแล้วแม่ว่ายังไงไงเราดูป่าอือชผิดหวังเนาะแม่ผิดหวังคระเจาแอ่อือแล้วแล้วแม่ผิดหวังแล้วเราเสียใจวะพี่เนร้องไห้เนาะหือี่เดอือเี่ยจำไว้นะทาบาปแล้วต้องเกิดเหการอย่างนี้ขึ้นมาทุกคนจะไม่สบายใจทั้งแม่ทั้ง ถ้าหนูพูดความจริงแล้ววก็จะไม่มีใครไม่สบายใจเพราะถึงแม้จะไม่สบายใจแต่ก็ไม่หนักหนาสหาหักับไม่สบายใจเพราะโกหกนะอ ย, อ, ยอมหน้าปิดนะเอาไปทําะไรถ้าถ้าก็ถามถ้าก็ลงสารภาพก็พูดสารภาพไปแล้วเรื่องมันก็จะจบพร้อมที่จะรับโทษอนะ่ะถูกเตะกี่ท่าย้ายแม่เตีก็ตีไปแม่จะตีก็ตีไป จะทำโทษก็ให้แม่ทำไปการทำโทษแบบนี้เพื่อให้เราไม่ให้เราจดจำว่าทำแบบนี้ไม่ดีทำแล้วมีปัญหาอมีอะไรอีกไ้มครับอืเออไม่มีครั่ะเมืม่อกีเห็นท่องท่องตามสช่ไหมกัด แ, แจ๊ดตีมาเออคุณลเป็นความแก่เป็นธรรมดา ใช่ไหมลืมลืมเราพูด <laughs> ไม่ได้เจ๊อือือาลองฟังแหัสท่องไปด้วยจะได้จําได้คช่ไแม่มีอะไรบ้างพระอาจารย์โยมมีเรื่องสงสัยนะคะเกี่ยวกับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าโยมฟุ้งซ่านไปเองหรือว่าเป็นเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็คือเอ่อช่วงหลังๆนี่โยมจะ ค่อนข้างเน้นเกี่ยวกับการพิจารณาอสุภะแบบนี้ค่ะก็คือที่โยมใช้ก็คือจะมองคนอที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมองให้เขาเป็นซากศพมีความน่าสีสเยนแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็เวลาตายแล้วศพมันจะคนมันจะมีสภาพเปลี่ยนไปแบบนี้ยมันก็คือเอมีสภาพเหมือนกันแบบนี้ค่ะแต่ทีนี้ว่าเมื่อวันพุทธที่แล้วนะคะพระอาจารย์โยมนอนหลับแล้วก็ไปเห็นอสุภะนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันไม่ใช่อสุภะที่ โยมคอยนึกบ่อยๆนะคะมันจะเป็นอสุภะอีกประเภทดึงแบบนี้ค่ะโยมก็เลยมีความสงสัยว่ามันจะเป็นฟุ้งซ่านไหมเพราะว่าถ้ามันเป็นที่จิตใต้สํานึกมันออกมันน่าจะเป็นออกมาเห็นภาพที่โยมฝึกนี่ค่ะพระอาจารย์แต่มันเป็นภาพอีกอย่างหนึ่งค่ะก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันเป็นอสุภะก็ใช้ได้เมือนกันอ๋อถ้ามันเป็นภาพถ้ามันเป็นภาพสวยงามมันเป็นอย่างนีรว่า มันก็เกิดขึ้นได้เวลาที่เราไม่มีสติใจเราบางอาจจะคิดไปทำใดทางหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้พอทําการให้เรามีสติกกรู้ว่าร่งกันโยค่ะก็คือโยมขอเล่านิดนึงได้ไหมคะพระอาจารย์ที่โยมเห็นนะคะอะก็คือว่า <c oughs> คือโยมเห็นก็คือว่าโยมเห็นว่า พ่อของโยมนะคะเขาจะกําลังจะตายพันอีกสาเดือนใช่ไหมคะแต่ชีวิตจริงเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะพระอาจารย์ก็คือว่ า, ามีคนเตรียมหลุมศพไว้ให้เขาแล้วแบบนี้แล้วก็เขาจะตายเพลิดเพลินอีกสามเดือนโยมก็เลยเดินตามหาเขาก็เห็นเห็นคุณพ่อเนี่ยนอนอยู่กับพื้นนะคะพระอาจารย์แต่หัวนี่เป็นคนปกติแต่ว่าตั้งแต่คอลงมาเนี่ยเห็นโยมมองเห็นชัดมากเป็นกระดูกคอแล้วก็เป็นซี่โครงก็คือมีแต่กระดูกขาวๆแล้วก็มีเยื่อ เยื่อเอยื่อเอยอเอื่อติดเลคะเป็นเป็นเยื่อเอยื่อเขาเรียกว่าเอยื่ออะไรค่ะเยื่อที่ไม่เป็นแดงแดงติดแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะเป็น เ, เหมือนอวัยวะภายในหรือชิ้นส่วนภายในร่างกายกองอยู่นิดนึียวอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ยมก็ยืนมองแล้วก็ยืนมองอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าเอ๊ะเอพ่อมีสภาพว่าเขามีสภาพแบบเนี้ยจะอยู่ยังไงแล้วก็มันรู้สึกสงสารนะคะพระอาจารย์แล้วก็มันหลายอารมณ์ปนกันนะคะสงสารด้วย แล้วก็เหมือนสะเทือนใจแล้วก็สลดสังเวชไปด้วยนะคะพระอาจารย์ยมก็ยืนมองอยู่สักพักนึงแล้วก็ตื่นรู้สึกตัวนะคะพระาอาจารย์ก็จิตเรายังไม่เข้มแข็งพอไม่อุเบกขาอย่างมีกําลังไม่พอมันเกิดอารมณ์เศร้าโศกเสียใจได้ค่ะถ้าฝึกกับเว่อเบกขาให้มากขึ้นแล้วมันจะเฉยได้เจ้าค่ะ ม, มันจะปลงสังเวชเราเนี่ยงานกายคนคนทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ฟุ้งซ่านไหมคะพระอาจารย์ไม่หรอกมันมันเกิดอาการแพ้แพ้อสุภาเมืนแพ้มันยังไม่มีกําลังมันยังไม่รับเต็มที่มันยังรับไม่ได้เต็มที่แล้วค่ะแต่แต่เหมือนก็นว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องกระดูกเลยนะคะพระอาจารย์แล้วก็เวลาเคยคิดพิจารณาเกี่ยวกับกระดูกแต่มันไม่ถึงใจก็เลยไปแบบแบบนั้นนะคะพระอาจารย์ศพอี ก, อ, กอีกประเทศนึ่งะค่ะแต่ว่าไปเห็นเอ๊ะทาไม เห็นเป็นกระดูขึข้นมาเห็นชัดมากเลยค่ะป้าคือตอนนี้คือมันก็ติดตาอยู่นะคะ อ, อาจารย์มันไม่มันไม่หวายข้าวเราต้องเห็นในสิ่งที่เราพิจารณาอ๋อค่ะมันเห็นในรูปแบบอื่นก็ได้แต่มันก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเป็นอสุภะมาใช้ได้เหมือนกันเจ้าค่ะก็ต้องระวังใช้อสุภะถ้ามันกลาอาการแพ้ก็อาจจะควรจะหยุดไปก่อนเราพิจารณาอย่างอื่นแทนพิจารณาอันนี้จงไม่เที่ยงแบบ อไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ถึงกับเห็นนสุภาะอะไรเกิดแก่เจ็บตายเกิดดับอะไรทางนองนี้ไปหรือถ้าเราเกิดอาการเปียดช้างขึ้นมาก็อา จ, จะต้องไปเ จ, จรจาเมตตา ส, สัตว์เป็นสัตว์ปล่อยสัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวทเถอิดอะไรตจงอยู่อย่างไม่วามสุขเถอิดอะไร ความดีของสุภาพนี้มันจะมีคนมีประโยชน์ก็ตอนที่เกิดการอารมณ์ใช่ไหมค่ะถ้าเกิดการอารมณ์แล้วสุภาพดับได้ก็ใช้ได้ผลญานี่ยยาที่เรายาเราถ้าเราไม่สบายเรากินยามันก็มีประโยชน์นช่แต่ช่วงที่เราไม่กินไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ไม่สบายเราไม่กินยาเราก็จะไม่เห็นความผลอะไรของยาเท่าไหร่ ม่ไม้ไอนยานจะแพ้ยาสลายยาได้การพิจารณาธรรมอสุภะแบบนี้มันเป็นการเตรียมยาไว้ก็อย่าไปกินมันมากชิมมาแ้นิดหน่อยของพอรู้สึกว่าเริ่มเกิดอการแพ้กันมากก็หยุดไปก่อนแสดงว่าใจาเราอย่างไม่เข้มแข็งพอต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นเจ้าค่ะ คือเป้าหมายยมเป้าหมายยมก็อยากจะกําจัดไอตัวกําหนัดความอ่ร า, าคากําหนัดออกไปอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์อ่าเป้าหมายของการพิจารณาก็เพื่อให้เราจดจําแม่นเวลาที่เราเกิดการบังคมขึ้นมาเราก็จะได้ใช้ภาพเหล่า น, นี้ขึ้นมาดับมันเนี่ยถ้ า, าพิจารณามากเกินไปมันก็เหมือนเราเหมันอนจะแพญยาก็ได้ก็พักก่อน มายถึงมันจะไม่มีอุเบกขาใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่มาเสียโมเบกสะขาดีครับมานั่งสมาธิมาดูลงหมายใจแล้กทําใจให้สงบแล้วค่ะอสงบแล้วก็ออกมาพปิดใจนาเหมือนกันนะยงปฏิบัติไม่เคยได้ถึงฌานสี่เลยค่ะพระอาจารย์ก็มันได้แค่ความสงบความเยือกเย็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าให้จนถึงอแบบเดี๋ยวจะจิตดวงเดียวแบบนี้ยังไม่เคยทําถึงนะค่ะพระอาจารย์แต่ยงก็ทําก็ ถ้ามันเฉยได้หรอมันเฉยเฉยได้หรอถ้ามันถ้ามันเฉยเฉยได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องอไม่ต้องไม่ต้องหายหายไปให้มีสติแล้วเฉยไม่ยินดีร้ายเช่นเห็นภาพสัพพะก็เฉยนี้ก็ใช้ได้ค่ะยื่งเวลาจิตสงบมันมีสองแบบสวบแบบหายไปเลยร่างกายเหลือแต่จิตมันด้วยสงบแบบยังมีขันอยู่ยังมีรบเสียงเกลนยกัอยู่ แต่ใจไม่เกิดอาการลำคาญกับรูปสียงเกบรตต่างๆค่ะก็อืแต่โยมครับมันมันจะรู้สึกเ อ, อพอใจนิดนึงนะคะพระอาจารย์เพราะว่าเ อ, อเพราะว่าเวลามันมีกําหนัดมันจะรู้สึกมันรู้สึกถูกใช่ไหมคะพระอาจารย์แล้วก็อย่างกับคุณมาร์โกอย่างเงี้ยก็โยมรู้สึกมันไม่ค่อยรู้สึก พี่สว่าอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ถึงความรู้สึกมันรู้สึกผิดถ้าจะไปยุ่งอะไรเขาแบบ น, นี้ค่ะพระอาจารย์ไม่ดีไม่ดีนะนั่นระวังว่าเรายังมีหน้าที่เป็นแมเป็นแม่บ้านอยู่นะ <c oughs> เข า, าก็โอเคนะคะพระอาจารย์เขาก็ฝึกปฏิบัติเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่บ่นก็โอเคไม่บน่นไม่บน่นแล้วก็บน่บนว่าไม่ทํำหน้าที่เลยนะอย่างนี้เ่าไม่ค่ะพระอาจารย์ไม่บ่น เขาเขาไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่แกะตันหากับเพราะว่าจานยังก็ปปลายทางยังยังยังพอถือว่าโอเคอยู่ค่ะพอาจารย์ไม่มีบนมันแต่งสถานการณ์นี่ยไม่มีไม่ใช่ว่าแกล้งไม่บ่นแล้วไปมีีหนุ่มก็ไม่ใช่นะพระอาจารย์คือเขาไม่บ่นจริงๆก็เลยโอเคก็เลยสบายใจที่จะทําไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะเพราะเราก็ต้องดูฐานะสถานภาพของเราด้วยเรามีหน้าที่ของเราที่ต้องทํำการแต่งงานมันก็เหมือนกับการ เซ็นสัญญาใช่ไอม่าจะต้องทําติดน่องกันอะไรบ้างอย่านะค่ะก็เนี้ยคุณมา์โก้เขาก็อยากจะมาพระอยากจะมาอถามธรรมะพระอาจารย์นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนะักธนาคารใกล้ๆช่วงคิดมากเขาจะอยู่งานก็น่าจะมีโอกาสมาไล่กับพระอาจารย์เวลาวันธนาคารเวลาสองทุ่มเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเวลาเดิมเท่ากันเขามีคําถามเยอะมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวเขาจะมาถามพระอาจารย์ด้วยตัวเองค่ะ แต่ให้เขาเข้ามาวา น, นังทายมากกว่าค่ะอาจารย์มีแนะนำโยมเพิ่มเติมไหมคะโยมต้องการทำมามากๆเลยคะ่ะอาจารย์ก็เ น, นี่ยนะระหว่างส ป, ปัญญากับสมาธิมันต้องบาลานซ์ ก, กันมันต้องสมดุลกันปัญญามากเกินไปสมาธิอ่อนมันก็อารใจก็เกิดปัญหาได้ี่ถ้าสมาธิมากแต่ขาดปัญญามันก็ทื่อมันก็ท่ากิเลสไม่ได้ ก็ต้องพยายามทำทั้งสองอย่างสลับกันให้มันพอก็มีกําลังเท่าๆกันเวลาเข้าสมาธิก็ไม่ต้องกัวงวลเรื่องปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่ต้องกัวงวลเรื่องสมาธิทําหน้าที่ปัญญาไปจนกว่จกกิตจิตจะเริ่มพุ่งก็หยุดปัญญานั่งเข้าสมาธิใหม่เจ้าค่ะ คือปัญญามันมีสองลักษณะปัญญาแบบทำการบ้านปัญญาแบบทำข้อสอบปัญญาทำการบ้านือยังไม่มีเหตุการณ์เราก็เตรียมตัวไว้ก่อนท ำ, ทำการบ้านไปก่อนแล้วพอเจอเหตุการณ์เสมุอนออกจากสมาธิมาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเลยไม่รู้มาอย่างไหนม็น้องใช้ยสุภาพเข้ามาหยุดมันเลย ถ้าถ้าทำการบ้านแล้วมันก็ยามาถ้ายังไม่ทําการบ้านมานทีอาจจะไม่มาแล้สวสังเกตอยู่มีมีบ้าง น, นะคะอาจารย์แต่ว่ามันมันมาแบบร่างกายอย่างเดียวรู้สึกอย่างเดียว ก, ก็ปล่อยผ่านมันไม่ได้และแต่ถ้ามาทั้งภาพทั้งอะไรก็ก็ใช้อสุภานะคะอาจารย์อืมค่ะ<า>โอเคนะ อ, ค อ, อีกอย่างคือพยายามทําให้มากๆค่ะยิ่งมากเท่หรได้ยิ่งดี สมาธิโยมก็ไม่ทิ้งนะคะพระอาจารย์อย่างเมื่อคืนมันนอนนอนไปแป๊บเดียว ม, มันก็ตื่นแล้วก็ไม่มีอะไรทำมันก็ตื่นมาทำสมาธิเดือนจุกุปแล้วก็กลับไปนอนต่อแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์เออเีสมาธินี่มันเป็นอาหารหนุงใจมันที่พัดพ่อนหนุงใจ okay, นะโอเคนะโลค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะรอาจารย์ไปที่น้องสันโดษสันโดษวัน น, นี้อ้ว น, นขึ้นหน้าตากลมเล็กเลย อ, อยู่ดีกันดีนะใ <c oughs> ค, คุณยายสบายดีแล้วนะห า, นายแล้วเหรอยายยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะ <c oughs> อีกอาทิตย์นึ่งก็ต้องไปทำอีกทีหนึ่งนะค ะ, ะ <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ไปผ่าตัด น, นะคะเวลาคิดว่าผ่าเพื่อให้มันดีนะผ่าเพื่อให้มันห <c oughs> ายการเราเรื่องึีท่านอยู่ตลอดเลยย ะ, ะ้านี่ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ถึงถึงพระองค์นะคะถึงพุทโธธรมโมสังโฆก็ได้ตายแล้วตายอาจารยก็ระลึกถึงอยู่นะคะ <c oughs> ครับอาจารย์วันนี้ก็มาส่งกันบ้านเช่นเคยครับ <c oughs> จะดูอวบอวบขึ้นไหน่อพอดีว่าใช้ใช้หลักเกณฑ์การใช้ชีวิตตามชื่อครับยินดีตามมีตาบเกิด เรามักน้อยด้วยเรากักด้วยคุณว่าคุณแม่กันอะไรมากินหมดไม่ใช่มาไม่ใช่มามากก็ยินดีแตงมามากก็ต้องสันโดดไม่มามากก็ต้องมักน้อยถ้ามาน้อยถึงจะได้ถือสันโดดเข้าใจไหมครับเดี๋ยวก็ต้องกลับไปดูแลเรื่องการกินเนี่ยใช่ไม่ถูกเนะี่ยมามากถ้ามามากก็สันโดดกลับไปใจดีวะ ถ, าาถ้ามาน้อยก็โลภมาก พ่อ ค, ค, คุณแม่ก็ทำทานได้คุณพ่อคุณแม่ให้อะไรมาก็ทานหมดทานได้หมดทุกอย่า ง, ไ ม, างไม่มีปัญหาเลยทา น, ทานครับครับผมอาจารย์คนนี้ก็มาส่งกันบ้านฮะจริงๆเรื่องของน้องตะวันทําให้ผมนึกขึ้นได้สมัยตัวเองเด็กมากเลยครับเด็กกว่าน้องตะวันเยอะเลยอันนี้ก็ต้องสารภาพกับพระอาจารย์ผมก็เคยเคยมีเพื่อนมาเล่นที่บ้านครับผมพระอาจารย์แล้วคราวนี้ก็ เขาเอาก็เอาของเล่นเขาอ่ะมาเล่นกับของผมแล้วเขากลับบ้านไปแล้วเขาลืมของเล่นเขาทิ้งไว้ที่บ้านผมคร mm hmm. าวนี้ผมก็สองจิตสองใจครับอาจารย์ตอนแรกว่าเฮ้ยไม่อยากไม่อยากแบบคืนเลยก็แบบเออไหนๆเราเนียนเก็บไปก็ได้ถ้าเขาไม่มาเอาเราก็เนียนเก็บไว้เลยพอ mm hmm. ถึงเวลาสุดท้ายครับอาจารย์ผมมานั่งนึก เออเก็บไว้เราก็ไม่สบายใจมันของเขามันไม่ใช่ของเราก็ลเลยก็เลยบอกไปบอกแม่บอกเนี่ยบอกบอกเพื่อนให้หน่อยว่าเนี่ยเขาลืมของไว้ที่บ้านให้มาเอาอเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าอ๋องั้นน้ำโมให้น้ำโมเก็บไว้เลยอ่าอย่างนั้นสบายใจเป่า <c oughs> เก็บไว้ให้เขาอนุญาตแล้ว น, นะคระอาจารย์แต่ว่าที่จะบอกน้องตะวันคือทุกวันนี้เก็บมาก็ หายครับไม่รู้อยู่ไหนแล้วเพราะนั้นผมบอกว่าต่อให้จะได้มาโดยเขาอนุญาตหรือว่าจะไปเอาของเขามาแบบเนียนๆโดยไม่คืนสุดท้ายมันก็หายไปอยู่ที่เพราะนั้นมันไม่มันก็ไม่มีประโยชน์ครับได้มามันติดไปกับใจเรานะั้ครั้นเออผมก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลย บอกเขาดีกว่าเพราะว่าเราเราก็ไม่สบายใจแต่าถึงเวลาเ <ừ. S 1> ขาให้มาพอเขาให้มาเราก็มันก็หายไปตามการเวลาอีกครับชอาใช่แ <c oughs> ล้วแหลแล้วหลังจากนั้นเอาเอาบทเรียนมาสอนใจเรา ไ, ได้หรือเปล่าก็สอนใจครับว่าสุดท้ายสุดท้า ย, ายคือต่อให้เราจะขโมยหรือไม่ขโมยถ้าไม่พูดถึงเรื่องกรรมสุดท้ายของมันก็หายไปตามการเวลาอยู่แล้วอืม <Yeah. S 2> มันควบคุมไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่เคยทำอีไม่เคยทาซ้ำอีกครับตอนแต่ก็ไม่ไม่ทำซ้ำอีกครับอาจารย์เพราะว่าเห็นว่ามันไม่ไม่ไมีประโยชน์เอ่อ mm hmm. แต่ก็ครับอาจารย์ก็เนี่ยครับก็มีหลักหลักอันนี้อยู่ว่า จริงๆเราพยายามที่จะทำอะไรก็ได้แต่ขอว่าอย่าผิดศีลห้าเพราะตราบใดที่เราไม่ผิดศีลห้าอันนี้ถือว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเบียดเบียนตัวเราเองครับเวลาผิดศีลด้เราจะทุกข์ทขึ้นมาจริงใช่ครับอาจารย์ <ừ> มันมันเล่าร้อนเอนี่ยอาจารย์อันนี้คือความรู้สึกความรู้สึกจากตอนนั้นที่ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้มันฟังในใจเรา มไม่ต่งงนะังไม่ต่า ง, ง, งแล้วมันทำให้เราแบบเอ๊ะขึ้นได้ว่าโหไหนเขาบอกว่าเด็กเป็นผ้าขาวอันนี้ไม่จริงค่ะทำไมเราก็เป็นเด็กทำไมเราไม่เห็นเป็นผ้าขาวเลย <laughs> อยายุไม่เท่าไหร่คิดจะเนียนเอาเก็บของคนอื่นไว้ละพระอาจาแล้ว <laughs> <laughs> าาลก็ทุกวันนี้คุณยายจะพูดเสมอเลยครับพระอาจารย์ว่า เนี่ยเวลาเห็นเด็กๆในซูมเห็นพระอาจารย์เห็นกัลยาณมิตรทุกท่านเห็นคุณยายจะมีความสุขครับอาจารย์เด <l ots> <ishing S 2> ็กยังมีความสุขกว่าดูทีวีอีกครับแม่ก็ดูซูมมากเโอเคมีอะไรไหมก็มาเรียนพระอาจารย์ว่าบางที <l ots> <l ots> กิเลสมันก็ร้ายมากแล้วมันไ ม, ม่บางทีมันร้ายตลอดเวลามันมาคืออย่างวันนี้ครับท่าอาจารย์ผมเจอเคสที่ว่าผมไปเข้าประชุมเนี่ยครับแล้วมันมีเหตุสุดวิสัยที่งานคราวที่แล้วเราไม่ได้ไปเข้าร่วมด้วยเพราะว่าเหมือนคุณยายก็ไม่สบายอย่าเงี้ยแล้วหัวหน้าหัวหน้าเขาก็เลยแบบว่าเราใหญ่เลยว่าเรากลางไอ้นี่เลยแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นคือ เราเรารู้เท่าทันนะครับพระอาจารย์เราก็พยายามพุทโทรแต่มันก็มีบางแวบที่เราก็รู้อีกเราเราเกิดมโนกรรมแล้วแบบอะไรนักหนาแบบเกิดความลำคาญขึ้นในใจอย่างเงี้ยครับอาจารย์ mm hmm. แต่สุดท้ายผมก็มานั่งนึกคำพระอาจารย์ว่าแบบเออยอมหยุดเย็นยิ้มก็เลยแบบ คือตอนนั้นอย่างยิ้มไม่ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวโดนเขาว่าว่าแบบแอบว่าแล้วยังทําหน้ายิ้ม mm hmm. ผมก็เลยเฉยๆแล้วก็บอกครับจะจะแก้ไขครับจะแก้ไขครับี mm hmm. แล้วบางทีมันก็แอบคิดมันเป็นมโนกรรมครับอาจารย์ว่าเออบ่นมากๆนี้ออกดีไหมแบบว่าออกออกไม่ทํางานนี้แล้วได้ไหมแต่มานั่งคิดไปคิดมาเราก็ต้องเราก็ต้องอย่าให้อารมณ์ของเรามันมาตัดสิน นี น, นความในในการว่าเก่าตักดิบดูดนี้นี่ไม่พ้นห น, นึ่งในโลกนี้ต้องเดินโดนดินทานโดนทำดีเตียนเสมอก็มานั่นนนนงนึกว่าอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี้ยโอ้หท่านดีขนาดนะั้นคนยังคนยังมีคนไม่ชอบท่านได้แล้วเราเป็นใครเป็ <laughs> อนอย่างนี้ได้ก็ดี พอพอผมคิดอย่างนี้ทุกวันนี้โดนคนว่าอย่างวันนี้ผมก็เลยแบบเงียบได้ครับอาจารย์ไม่งั้นถ้าเป็นแบบสมัยก่อนตอนที่ยังไม่เจอพระอาจารย์ก็คงมีแบบชักสีหน้าไม่พอใจบ้างอ่ะว่าแบบอะไร น, นักหนาแต่พอมาเจอพระอาจารย์กับคุณพ่อคุณแม่กับใครก็ตามก็พยายามสำรวมมากขึ้นีดีมากดีมาก พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏกับเรามาใช้เป็นบทเรียนสอนเราก็จะไปสันโดดเรื่องการกินมากขึ้นขึ้นค่ะน้อยมากน้อยอ ย, อย่าไปสันโดโดกินพอให้มันอิกพอให้มันหายหิวก็พอ <c oughs> ไม่หิวแล้วก็หยุดกินได้พรจารย์ครับแต่ผมก็แบบคนทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับทั้งของเขา ท, ทุกมื้อเลยนยะทุกวันเลยนะก็ทุกทุกโอกาสที่ทำได้บางทีไปทานข้าวที่โรงเรียนเขาจัดแยกมาเงี้ยครับผมก็เทเทแต่ยกเว้นพวกน้ำเพราะว่าถ้าเป็นพวกน้ำมันจะแบบล้นจานอย่างเงี้ยราหาพวกของแห้งแล้วก็คุกคุกคุกเพื่อนยังแซวเลยบอกอุย้ยกินเหมือนมา <laughs> เราก็แบบเออกินแบบนี้แหละดีสุดละ <laughs> กินก็อยู่ก็ไม่ได้อยู่กพกิน ผมบอกครับว่าผมยอมกินเหมือนหมามผมอันนี้คือคุณยายยังตกใจครับพระจานิานาะทานได้ยังไงได้เยเลยนะไก ล, กลได้บวดนะตามไปคงไม่นานอ๋อพาัาจยนผมลืมไล่าให้ฟังครับวันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งเขามาเซ้าซีบอกว่าพัมโมเรียนจบปุ๊บปวดเลยนะบวดเลยนะ ปูนเนี่ยสองสามรอบผมถามเขาทําไมดูอยากให้เราบวชจังเลยเขาก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าบวชล้วก็สอนธรรมะได้ผมก็เลยบอกเดี๋ยวเป็นคารวะก็สอนธรรมะได้นี่เขาก็เลยบบบบวชเถอะบวชเถอะเหมือนอยากให้บวชเดีไปแล้วเดี๋ยวดึงพลานก็รู้เองผมว่บอกเขาไปว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอย่าเพิ่งไปคิดโอเคขอบอาจารย์ที่เมตตา เยมอภเจ็บอภยไข้นะให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนางานะสาธุคุณน้อพิเชิตาคุณน้อกลับแมรสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายธรรมะภายนอกและธรรมะภายในใจครับพระอาจารย์ทํภายนอกเช่นอริยสัจสี่เนี่ย ทำไายนอกก็คืออริยสัจสีภายนอกก็คือที่สิ่งที่เราเห็นเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นการสัมผัสเข้ามายังเป็นแค่สัญญาความจำ ม, ม, ม, ม, มันยังไม่ได้อยู่ในใจเราแต่อริยสัจสีที่มีอยู่ในใจเรายังมองไม่เห็นมันมีอยู่แต่เรามองไม่เห็นเราต้องเรียนจากภายนอกก่อนจากพระพุทธเจ้าก่อนว่าใจเรานี้มี อริยสัจสี่มีทุกสมุทัยนิโรธมากซึ่งถ้าไม่มีใครสอนก็ไม่มีใครไม่มีใครจะรู้ว่าเวลาเราทุกข์เนี่ยเราทุกข์เพราะเราเกิดความอยากขึ้นมาและการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นตายแล้วเป็นทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่ตอนตอนนี้เราศึกษากัน อ, อยู่นี้ยถือว่าเป็นธรรมไปนอกอยู่แต่ถ้าเราสามารถ เมืราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราสามารถหยุดความทุกข์ใจได้ด้วยปัญญาดัางเกิดเป็นโนงมอะไรเนี้ยมีหมอเขามอกว่าจะต้องเหลือแค่สามเดือนอัะนนะั้นเราจะเห็นอริยสัจสี่ของจริงที่อยู่ภายในใจเราทุกข์แล้เนี่ยเมื่อเราทุกข์แล้วทีนี้เราก็ต้องถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องแก้ด้วยด้วยการใช้ปัญญา หาเห็นว่าเราทุกข์พอทุกข์พอไม่อยากเจ็บไม่อยากตายใช่ไหมแอ้วเราห้ามความเจ็บความตายของร่างกายได้หรือเปล่าพิจารนาให้แล้วร่างกายเป็นตายรักห้ามไม่ได้นะักตายอมรับว่ามันเป็นตายรักถ้าไม่อยากก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์เราก็หยุดอยากทั้งนั้นเองความทุกข์ก็ดับไปนิโรจจะเกิดขึ้นมา ทำที่เราศึกษากันได้ยินได้ฟังกันยังถือว่าเป็นธรรมใบนอกยังไม่สามารถเอาดับความทุกข์ในใจเราได้เราต้องเอาธรรมที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมาดับถ้าเราไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ต้องสร้างขึ้นมาปัญญาก็อาสัยเบื้องต้นมาอาัยเอาอาศัยเอาธรรมเอาเอาคำสอนของพระเจ้ามาสอนเราก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามา พมาพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ให้หนึ่งกินบ่อยๆจะไม่หนึ่งมันก็จะอยู่ในใจเราแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นทำภายในใจอย่างร้อยปรนมันต้องรอเวลาที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราสามารถเอาธรรมที่เราพิจารณาอยู่นี้มาดับความทุกข์ในใจเรานะแล้วนะลต่อไปมันก็จะอยู่ในใจเราไปตลอดไม่หลงไม่เลย พอจะเข้าใจนะครับชอบเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์นในงานปฏิบัติของเราคือพยายามน้อมเอาทําไปเน้อให้เข้ามาสู่สู่ในใจเราที่พระเจ้าบอกว่าสวัสดิธรรมะเป็นอโอปะนัยโกให้น้อมทําเข้ามาในใจเราน้อมด้การศึกษาน้อมในการปฏิบัตินะพอเราปฏิบัติแนละ้วเดี๋ยวเราวก็จะเราก็จะเห็นธรรมต่างๆ ที่เราเรียนรู้เนี่ยอยู่ที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันจะอยู่ในใจเรามากแปบดบอริยสัจสี่ไตรลักอะไรเนี่ยมันอยู่ในใจเราเหมือนโอเคนะขอบ ค, คุณเจ้าพระจันทร์ะจร ะ, จะเห็นไปที่คุณสาธกาต่อคุณสาธกาฟังทำค่ะพระจารย์ปฏิบัติอยู่ค่ะโอเค I see, a n s w e r s How are you? Bon b o s r David. Can you hear me? Are you David? Bonjour, e t b o r e c n g How Bonjour et bonne santé. o n s a n t ค, ค่ะพึ่งถึงค่ะพึ่งถึงสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยค่ะท่านอาจารย์พึ่งถึงบารีจ่ะค่ะถึงบารียังต้องเดินทางไปต่อไปน่ามวันศุกร์กันะค่ะวันศุกร์นัดทางสถานทูตไว้ะคะอค่ะเพราะว่าเพราะว่าลุกมาก่อนนะคะเพราะว่าเดวิดเขากลัวที่ฝรั่งเศสะค่ะเพราะชอบประท้วงกันนะคะก็ะเลยกลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาคือมาแล้วเดี๋ยวจะถูกบกล็อกเรื่องไงเนี้ยค่ะก็เลยมาก่อนล่วงหน้านหนึ่งวันนะคะท่านอาจารย์ ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยดีไม่มีค่ะเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์เวว น, นี่ยค่ะก็ไปขอเรื่องวีซ่าค่ะท่านอาจารย์อ <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ลูกก็เลยแบบเออคือที่เมื่อคราวก่อนที่ลูกแจ้งท่านอาจารย์ไว้ว่าลูกอาจจะไม่ได้เข้าเพราะลูกกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องบินมาเลทหรือเราเดินทางแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยลูกก็เลยนี่พอดีมาถึงก่อนลูกก็เลยเข้ากันมาได้ค่ะ ไม่ด้ไม่เวลารถานบ้างก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีความจำเป็นอ่านี้แมีความสุขค้ะท่านอาจารย์เข้าอากาศท่านอาจารย์มีความร่มรื่นดีค่ะชุ่มชื่นหัวใจดีค่ะท่านอาจารย์และเดวิดเขาก็ดีความสุขด้วยค่ะท่านอาจารย์ก็เลยพากันเข้าอากาศค่ะท่านอาจารย์ How many days you you have? Not w o We will come back in US only beginning next year so soon. e r So you can, you can celebrate New Year in, at home. Huh? Exactly for once. <laughs> okay. Are your parents still around? Uh, my mother is still there, and my father okay. passed away a few years okay. back. Your mother will be happy to celebrate Christmas and New Year when you. Yeah, she's she's waiting. <laughs> <laughs> okay. But t h e there's <laughs> n i n g If the teacher does t h o ก็ง่ายๆกันไม่อยู่ใกล้ชิดกันไม่ต้องมทำอะไรมากเพียงแต่เห็นหน้าตากันก็มีความสุมากกว่านี้ค um> ่ะไม่มีอะไรเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นทางด้านวันเกิดหรืออะไรไม่มีครัอปกติมากไม่มีอะไรค่ะค่ะคุณมี i ำถามอะ i o ไหมเดวิ any question to ask? พันยาณขาดไปจอฟรสครับอาจารย์ Okay, โอเคนะ้เราท่านนี้ก่อนนะค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์โอเคพอดีสัญญาหายไปโอเค have a good happy holiday ่สุค่โอเคสาธุไปที่คนอานอนุนตาอานนุนอ่านุนขอรมบรมสกงค์ค่พอาจารย์ไม่ยินเสียงนะคะชัดเจนชัดเจนค่ะ ก ม, มีอะไรก็ที่กลาบพระอาจารย์มาตอนลงจากบนเขาลงมาก็สงบดีค่ะพระอาจารย์จริงๆดองชอบมากรู้สึกวิเวกเงียบดีอ่ตื่นเช้ามาไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรเลยมาถึงก็ปฏิบัติได้แล้วก็จริงๆสินคืออยู่บนนั้นถือสินแปดดีมากเลยท่านคือมันคือยอมเอาอาหารที่เขาปรุงสุก ข, ขึ้นไปก็เวฟทานเท่านั้นจบก้าวมุง้าจบก็จบไม่ต้องมีอะไรไม่ยุ่งยากไม่มยุง่ยงยากเลยทั้ แล้วก็ปฏิบัติอ่านหนังสือไงคือมันสงบดีมากในกปฏิบัตินี่ต้องอยู่ง่ายกริงง่ายใช่เสียเวลามากกับเรื่องอยู่นั่งกิ น, น, นก็เลยรู้สึกว่าเออจริงจริง จ, ง จ, งจงมันแค่นั้นเลยคือพอเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็ง่ายใช้เวลาน้อยมากเลยเว็บทุกอย่างกินจบภายในไม่เกินคือชั่วโมงแล้วก็เอาเวลามาปฏิบัติได้เนี่ค่ะก็นั่งมันัน่งคืนเลยนั่งมานั่งคืนเลย ใชแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงเพราะเขาอยู่วันนั้นยงก็จะถือว่าเออเราไม่ได้เราเราเราไมไ่อยู่ที่ทํทา ง, งานแล้วเราตัดทุกอย่างเลยคือเราบ<ม>อกทุกคนว่าเราไม่ได้เราไม่อยู่นะช่วงเนี้ยให้จัดการปัญหากันเองไปให้ได้ก็ต้อง<ม>บอกกันว่าเออเหมือนกับไม่เราไม่อยู่อย่างนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนเวลาอยู่ที่บ้านท่านถึงแม้ว่าที่บ้านบางทีกลางคืนเราเงียบก็จริงแต่พอเราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็คิดถึงงานแล้วงานก็ <laughs> จะเข้ามาแล้วแต่อยู่เหมือนแบบ เราคิดแล้วว่าเน่เราตัดแล้วนะเราตัดทุกอย่างแล้พยายามหยุดความคิด ม, มดั้มีหน้าที่ของเราคอยส ก, กัดความคิดได้ใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีมากก็เลยเห็นเห็นเห็นถึงความแตกต่างเพราะว่าลงมาก็มีถามคนถามว่าเป็นไงรู้สึกแบบเห็นความแตกต่างไม่บอกอเห็นสิเห็นเห็ความแตกต่างแน่นอนว่าเทียบกับอยู่ในบ้านที่บ้านอะไรเงี้ยอ่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้ายงก็เลยจองขึ้นไปอีกอืม ก็ก็ขึ้นไปก็ดีคนชอบปฏิบัติจะชอบประธานที่แบบนั้นะใช่ค่ะแล้วงบมากเลยค่ะหายากนะที่ไปอยู่แล้วไม่ต้องไปทํากิจกรรมเรื่อเหมือนคนอื่นด้วยโอ้ยชอบ ม, มากเลยมีคนถามว่าทําไมไม่เอาเอาน้องผู้ช่วยมาบอกปู่ไม่อยากเอาใครมาเลยคือว่าเคยไปทีหนึ่งแล้วก็เอาน้องไปด้วยแล้วก็กลายเป็นเรากังวลท่านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้ไหม เบงียบแบบนี้คือไม่มีไม่มีคนคุยด้วยกันกลายเป็นภาระนิดนึงไปด้วยหมายถึงว่าไม่ต้องทํากิจกรรมเช่นไหว้พระสวดมนต์โอ้ใช่ใช่ค่ะอันี้คือเหมือนแบบอย่างนั้นใช่ผพราะบางทีบางที่ยังต้องไปชุมนุมกลุ่มไปรวมการไปทํานู่นทานี่อังนั้นจะมันจะทําให้การประคองสติยากใช่ค่ะจริงๆอันนี้ดีมากค่ะเพราะว่าเรเห็นบางที่ยังมีต้องไปทํากิจกรรมร่วมกันอยู่อย่างที่นี่น ว่าอแต่นี้ชอบมากครับเพราะว่ามีคนถามว่าก็อยู่ได้เหรอแบบไม่ต้องอะไรบอกอยู่ได้สบายมากเงี่ยคุณเดียบมีธรรมเราอยู่อยู่ได้สบายใช่ใชค่ะกินย า, าขาดแคลนก็ไม่เป็นปัญหาเลยใช่ค่ะเราก็รู้สึกว่าพอเรานั่งได้มากขึ้นด้วยความที่เราอยู่ตรงนั้นไม่มันมันโฟกัสแบบนี้กม็มันก็แบบพัฒนาเห็นการเข้าถึงความสงบได้เร็วขึ้นนะอาจารย์เพราะมันหยุดความคิดเรื่องอื่นๆ มันอยู่ที่สตินี่นะสตินีีก<ช>ันนั่งเดียวเดียวก็สงบใช่ค่ะอาจารย์ก็ก็เลยประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะลองแต่ก็จะขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าจองเรือนไปเรียบร้อยแล้วค่ะนีไปบ่อยๆก็ดีค่ะก็จะปฏิบัติไปอย่างตั้งใจค่ะปฏิบัติบูชาค่ะอาจารย์อ ร, รู้สึกแบบสงบขึ้นในในในแต่และ ว, วันที่เราใช้ชีวิตอะเราจะรู้สึกว่าปัญหาอะไรเข้ามากระทบมันก็ มันก็วางใจไปได้ถูกที่ท่านคือเราไม่เอามันเข้ามาเป็นความทุกข์เลยอ่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่คุยก็คืออย่างแบบใครมีปัญหาอะไรเขาทำไมคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยพอเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันถึงทุกข์ไม่ต้องไปคิดไม่อยากให้ขเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยอมันทีต้องคยแบบนั่งคุยกันก็บอกว่าเนี่ยความอยากของเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากเขาเป็นอย่างนี้นี่แหละทุกข์เราไม่ต้องไปคิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเอก็ก็ดีกันนนั้สติก็ช่วยทําให้เรา ไม่ถูกข์กับท่านจริงๆค่ะตัดได้เร็ววางเลยจบก็มีประมาณนี้ค่ะอาจารย์เรามากลับเรียนไปงาบันรักษารักษาธรรมที่เราได้มาต่อไปนะอย่าให้มันหายไปต่างด้วยค่ะด้วยความตั้งใจอย่างมากค่ะจริงๆคือแต่ก่อนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนมากท่านลังหลังๆเขเรามีธรรมะเขรู้สึกว่าเนี่ยมันเย็นไปเลยท่านค่ะคือมันทุกเรื่องมันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลย คือความทุกข์และปัญหามันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นเลยท่านนะใช่คิดไปทํากิเลสทำโลกโกลงใช่ก็อยากนู่นอยากนี่คนนั้นทําไมไม่อย่างนั้นคนนี้ทําไมไม่อย่างนี้ก็ก่อนยังแบบเอ๊ะทําไมเขาไม่ทําอย่างที่เราวางมาตรฐานไว้อย่างนี้เพราะเราไปอยากให้เขาอะมาเปิดเราไงนั้นก็เลยเป็นใช่ไหมค่ะตอนนี้ก็ตัวนี้วางได้หมดเลยแล้วก็มองเขาด้วยความเข้าใจบางคนทําอะไรก็มองด้วยความเมตตาว่าเนี่ย มันเขาคงมีปัญหาแหละเขาถึงเหมือนกับว่าเออมองเขาด้วยความเมตตาเราก็จะไม่มีความโกรธเลยนะคะท่านใช่ความโกรธนี่ไม่มีเลยอืเพราะบางคนเนี่ยเหมือนโยมนี่มันคนทําดีกับเขาเพื่อหวังให้เขาดีตอบมาบอกโยมบอกว่าอาเรียแหละทุกมากันแรกเลยพอเขาไม่ดีตอบเท่านั้นแหละโอ้เสียใโกรธใช่ท่านหอถ้าเราให้เขาแล้วอ่ะมันไม่รอดผ่าจบ ใช่นะัก็คือจบไม่ไม่ต้องไปหวังหรอกว่าเขาจะต้องให้เราตอบดีเราตอบคือเราให้อ่ะเรามีความสุขใจของเราละใชใ่จบแล้วท่านอย่าไปทําลายความสนใจของเราด้วยการวังอะไรตอบแทนใช่ค่ะเอาด้วยนั้นก็ ก, ก็ทํามานี้ดีมากเลยค่ะท่านแบอบว่าได้ได้นํามาใช้แล้วก็มันก็ช่วยได้ไหลายๆเรื่องความสุขใจมันเห็นมันเห็นชัดนะคะท่านเวลาเราวางอะไรได้ไวแล้วไม่ไม่ไม่ไปเก็บ ม, มันเข้ามา ไม่เป็นิดใช่ค่ะดีมากปฏิบัตามพยายามปล่อยเรื่อยๆค่ะอม่อย่าไปคิดถึงอดีตที่เราปล่อยต้องอยู่ในปั จ, จุบัปัจจุบันกิเลสมันยังไม่ยอมแล้วบางทีมันต้องผลไม่มาเองใ ช, ใช่ยังมีอยู่บ้างวนะ่าบางทียังมีแบบกเกเรขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆ ใช่ค่ะถ้อยากมาปฏิบัติแล้วไม่ไม่ได้มาปฏิบัติก็อาจจะทุกได้เหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ต้องต้องอย่าไปทุ่งมาไม่ได้ก็ไม่มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาได้ค่อยมาใช่อ่ะต้องก็ต้องต้องยอมรับว่าความไม่แน่นอนมีเหมือนกันบาทีโยมก็คิดว่าเออมันจะมีความไม่แน่นอนเราก็ต้องยับความไม่ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้อืสัญญาณหายอืม สัญญาณพอหลุดสัญญาณท่านท่านท่านน่าจะหลุดครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะสักครู่โอเคโซมันปิดไปโอเคค่ะท่านกลับมาแล้วค่ะท่านอได้ค่ะก็อย่างที่บอกเอยก็คือก็ก็ยอมรับในความไม่แน่นอนอย่างอาทิตย์โอ้ยสงสัยจะเข้าสซมไม่ได้แน่เลยเพราะติดงานก็ต้องแบบต้อวางใจว่าอย่าไปทำกับมัน คือแม้จะเป็นความดีก็ตามถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางวางเฉยเหมือนกัน<ด>ว่ามันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันได้ค่ะก็ได้ค่ะก็ทุกอย่างก็ยังก็มองว่าทุกอย่างรอบๆตัวนี้ธรรมะทั้งนั้นเลยทั้งนะขึ้นอยู่กับเราจะพิจรารณามันได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองอืมค <c oughs> ่ะก <c oughs> ็โ <c oughs> อเคผ่ <c oughs> อนใจด้วยผ่อนใจไม่ไม่สักการจะเพิ่งโอเคคุณสุภาพจ้หเนเดี๋ยวขออภัย ลำดับมันวิ่งไปวิ่งมาทล้งนั้นเนามันต่อเนะเอาคุณพรอมไม่ไายก่อนต้องเียนใล้ลำดับตามจอพราอาจารย์พร้อมไม่ได้ยังไม่มีใครเปิดไมค์ขนะองบได้เลยไปแล้วกับน้องสกามรรอาจารย์ค่ะเป็นยังไงสบายดีนะไหมอาจารย์ค่ะอาจารย์สบายดีนะคะ ก็มีเรื่องแ้วที่ที่ผ่านมาก็มีญาติเ่อนสนิทเพื่อนเข้ามาใช้บายกันเพื่อนค่ะปุ๊บเดิมใช่ไหมคะอ่าสองครอบครัว้งเยครอบครัวค่ะค่ะเมื่ออาทิตย์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปเผาไปงานพระทานพึงศพนะฮะอาจารย์ใหญ่ที่เชียงใหม่หกร้อยเจ็ดสิกอาจารย์ใหญ่ รวมรวมหลายปีอะคะ่ะพอดี huh. ท่านหน uh ึ huh. ่งก็เป็นแม่ของลุกสภัย uh huh. ก็เลยได้ไปร่วมงานก็ก็ได้ไปเห็นแล้วก็เลยนึกกันนะคะว่าแม้แต่คนที่ยินดีสะละร่างอะนะคะเราก็ไปเห็นพิธีการเข้ามาในเชียงใหม่ uh huh. ว่าร่างเหล่านี้นียได้เป็นได้เป็นอาจา ร, รย์ใหญ่ของมิสิแพ้ทุกนณะทุกแขนงนะคะ uh huh. ที่ ได้มีโอกาสได้นำหมาไปศึกษาเอาสิริาที่ที่เหลืออยู่นะคะไปศึกษาแต่จิตของแต่ละท่านก็คงไปอยู่ตามที่ต่างๆแล้วนะคะก็เป็นเป็นงานเป็นงานใหญ่สักห้าหกพันคนขึ้นไปก็เลยวัดเองก็เป็นวัดที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นวัดที่ทุกคนบอกว่าเออทำบุญส่ต่างๆเยอะมาก นะคะก็คือถ้าไม่ม hmm. well, ีญาติช่วงโควิดอะไรเนี่ยที่วัดนี้เออวัดลัทธิวันนะที่แม่ลินก็ได้สงเคราะห์นะมาตลอดเวลาเขาได้เห็นในหลายๆอย่างก็ได้นั่งนั่งคิดพิจารณาไปหลายเรื่องค่ะก็เพิ่งกลับกันมาวันนี้ค่ะเออเพิ่งมาแต่เมื่วันนี้เองก็เหนื่อยค่ะขับรถกันไปกับกับเบียกับเดือนค่ะอืม กลับมาคุณอนุกูลก็เลยสลบไปแล้วฮะสลบไปก่อนแค่สอบแม่ยไม่สลบปุ๊ไม่ตื่นเลยอก็มากันเจอนะคะวันนี้ก็สิบชั่วโมงค่ะติดในกรุงเทพกี่ชั่วโมงแล้วอืมถึงก็กลับกลับกลับที่เชียงค่ะพักผ่อนหลับนอนได้สบายนะ่ะก็ตองฝั่งเทพค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะนั่งได้ฟังได้ โ <Okay. S 2> อเคออา ก, การรักาการายที่คุณหมภาสนาเชิญหมอครับกนมั ส, ส ก, การค่ะพระอาจารย์ค่ะของของตัวเองก็ยังปฏิบัติสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปวัดส่าสารน้อยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอาทิตย์หน้าค่ะก็โชคดีที่เกือลื่อนเขาบอกว่าแต่หลวงพ่อไม่อยู่เพราะว่าตั้งใจจะพาคุณงพ่อไปทำบุญนะคะพระอาจารย์ ว่เดี๋ยวเดี๋ยวปีเดี๋ยวเดี๋ยวภารากิจจะเสร็จเช่นเงีปีหน้าเพราะคุณพ่อก็จะต้องผ่าอีกรอบหนึ่งนะคะอาจารย์ผ่าตองเองอันนี้ยังสุดท้ายแล้ว<ม>ก็ยังคุยกันอยู่ให้ก็เป็นปฏิบัติแล้วก็ให้คุณพ่อทำทำทำา ท, ท, ที่ผ่า อ, อาจารย์หมอ่ทําทุกอย่างเลยอพยายามช่วยตอนนี้ก็เลยดูแลคุณพ่อด้วยแล้วก็ปฏิบัติของตัวเองด้วยค่ะอาจารย์ดูแลใจของเราด้วยน ะ, ะใจใจก็คือ ไม่ไม่ได้ทูลนะครับอาจารย์พรยอมรับได้ว่าแบบเออก็คือคุยกันก็มันเห็นมรณะสติอะอาจารย์ก็ยังไม่รู้เลยนะใครจะไปก่อนกันเพราะเราก็ไม่แน่ก็เลยก็ยังตั้งใจทําพระอาจารย์เพราะเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะไปตอนไหนก็ดูพอด้วยค่ะขอบคุณพระอาจารย์ทุกคนไปกันหมดเป็นใครก่อนใครหลังนั่นค่ะทําไม่รู้ไม่เองลำดับด้วยนะพระอาจารย์มันดี มันไม่แน่เลยจริงๆค่ะพระอาจารย์ก็ตรงนี้เราไม่รู้บัตรคิวเราเบอร์อะไรไใช่ะก็นึกทุกวันค่ะพระอาจารย์พยายามคือตั้งใจในการทําแต่ว่าสงบแล้วะพระอาจารย์มันไออารมณ์เนี้ยคือมันมันเหมือนกับแบบพอมันมีพอมันมีสติได้เพอมีดาสติปัญญาได้ได้ค่อนข้างจะมันค่อนข้างสม่าเสมอนะพระอาจารย์ดูแล้วมันมันก็มันก็ มันไม่มีมันก็ยังไม่ได้มีอลรมณ์กับอะไรนะคะแต่ขนาดของคุณพ่อก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ได้อยากคือรู้ว่าถ้าคุณพ่อทําได้มันก็เดียับตัวคุณพ่อแต่เราก็จะไม่ได้บอกว่าทําไมสงสัยก่อนจะอยากค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือทําหน้าที่ของเราพาไปหาพระอาจารย์ดีแล้วลทหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดท่านจะทําส่วนของท่านได้หรือนั้ก็อยู่ที่ตัวท่านเองาอาจารย์ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากมเลยค่ะเพราะคุณพ่อก็บอก คุณพ่อเนี่ยเข้ามาก็คือของพระอาจารย์อะพอคุณพ่อก็ตั้งใจในการทำสมัยก่อนคุณพ่อก็ไม่ค่อยนั่งสมาธินะพอพระอ า, าจารย์พูดคุณพ่อนั่งเฉาเย็นเลยค่ะอืมเดย์โอเคออค่ะทุกค น, นสวัตรดาวัสอยู่ส่วนใหนุองดาวลัสอยู่ทางเหนือทางใต้ทางตะวันตกตะวันออกกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกอยู่ประมาณทางเหนือตะวันตกอ่ะเจ้าค่ะอยู่ใกล้ๆกับเด่นท่าน แล้วค่ะแล้วแล้วค่ะแล้วก็ไม่ไกลจากฟอสตัวเท่าไหร่เล้อค่ะอันนี้ไในข่าวก็มีผ้าที่มีผ้าอยู่ที่วันยานเข้าเข้าเสริมเข้าไปซื้อญานโยมก็ไปซื้อบ้านให้ไปทำบ้านอยู่ที่อ่างนิงตั้งอ่างนิงตั้งอยู่ระหว่างฟอสตัวกับแดนลัสใช่ไหมใช่เจ้วค่ะแต่ก็ก็ไกลจากบ้านของลูกพอพอควรเหมือนกันเจ้าค่ะถ้าใกล้ถ้าใกล้สุดก็คือถ้าไปเดนชันจะใกล้กว่าใกล้กว่าเบอรเจ้าค่ะ ที่เราอยู่ชื่ออะไรบ้านดัสตินเจ้าค่ะดัสตินนะดัสตินเมืองเมืองที่ทําผลิตรองเท้าบูธของเท็กซัสเจ้ค่ะดัสตินไม่มีชื่อเกี่ยวกับรองเท้าบูธเท้าบอยเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ตั้งแต่กลับมาก็พยายามฟื้นตัวพยายามฝึก พยายามฝึกกลับขึ้นมาเจ้าค่ะก็พยายามยังต้องกลับอีกใช่ไหมเจ้าค่ะโอ้ยยังไม่ทราบเจ้าค่ะแต่พยายามจะกลับไทยทุกปีอะะเจ้าค่ะก็ทําได้เจ้าค่ะเพื่อจะได้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เจ้าค่ะก็พยายามจะถ้าทําได้ก็พยายามอยากได้ทุกปีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ้ะค่ะตอนนี้ลูกก็ฝึกเหมือนเดิมก็ก็ อาสมาธิก็ก็ต้องใช้ความพยายามเ <laughs> พราะห่างหายไปเจ้าค่ะส ต, ส, ส, ตสตีสมาธิเจ้าค่ะสตีแตกเ่สตีแตกๆๆๆๆๆ <laughs> ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ถือว่าดูลดูตัวเองแล้วก็ถือว่าดีกว่าตอนที่ไม่เคยฝึกเลยเจ <laughs> ้าค่ะก็ดีกว่าตอนที่ไม่เคยฝึกไม่เคยอะไรเลยก็รู้สึกว่าตัวเองก็ก็ก็ก็ ก็ดีกว่าเจ้าค่ะก็ดีกว่าก็เลยคิดว่าเราจะต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆให้ได้มากที่สุดไป เ, <อ>เรื่อย้ยัง ไ, ไม่ถึงงานยังไม่เสร็จก็ท้องทำต่อไปให้เสร็จเจ้าคะ่ะเจ้าคะ่ะมันคือเป้าหมายเจ้าคะ่ะไปเรื่อยๆถ้าไม่เสร็จก็ไปล้มลุกคู่าคาน ก, ก็ดีกว่าไม่ไม่ได้ทําเจ้าไม่ได้ฝึกเรียนรู้ไปเรื่อยๆเจ้าคะ่ะอ่าสาธุนะเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> ขอบขอบขอคุณเจ้าค่ะ อ่ามาเล่นมาเลอยู่เมืองอะไนะอย่างนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมตู่เมืองเกียวโตครับเมืองเกียวโตือเมืองเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองเก่าไม่ใช่ใช่ไหมเมืองเก่าครับเมืองเก่าแต่ว่ามันไม่ไม่เก่าแบบอยุธยาหรือสุโขทยัยมันเก่าแต่ว่ามันก็เกิดเมืองเก่าที่มีตึกระอาคารเหมือนเมืองสมัยใหม่อ่ะครับเหมันโคราชสนเหมืนเมืองกรุงเทพมีวัดวารามอย่างเงี้ยใครับก็เป็น ดูมันก็ทันสมัยนะทันสมัยครับก็ถือว่าเป็นอะไรเขาบอกนักท่องเที่ยวเยอะกว่าโตเกียวอย่างครับเพราะว่าพวกฝรั่งอ่ะเขาชอบอะไรที่มันแอนเชียนโบราณก็จะชอบมาเมืองแบบนี้ครับครับก็ก็มันชุดเวทพออยู่ญี่ปุ่นก็ยังไงมันก็จะดึกกว่าไทยก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยแต่ก็เรื่องคำมัก็เหมือนได้ใช้มากขึ้นครับเพราะว่าอยู่บ้านมีพ่อแม่เป็นศาลาะอยู่นี่ ต้องมีตัวเองเป็นสาธารณะให้มากขึ้นอัตถิประโยชน์นะครัทุกทุกบอกมีบัญญาติธรรมะไม่เกิดใช่ไหมครับพมีธรรมะมีทุกธรรมะเกิดเลยต้องปฏิบัติธรรมะมันเหมือนอะไรนะมันเหมือนธรรมะบางทีอาจจะปลุกว่ากว่าไม้ส่วนตัวเหมือนมีเครื่องครัวมีอะไรมีมีของในคลังมาได้ได้ลองเอามาใช้บ้างว่าเวลาเจออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเจอสถานการณ์ต่างๆก็ เพราะก่อนหน้า น, นี้มันก็เลยเข้าใจธํามาว่าอะไรนะสติหลวงพ่อพก็เข้าใจเรื่องสติอะครับแต่ว่าสติมันก็ต้องมีปัญญาตามด้วยเวลาเจอปัญหาอะไรในการแก้ไขก็ทําให้รู้ว่าตัวเองอะไรยังไงก็ก็เลยรู้ว่าเอ้ยลองจินตนาการถ้าสมมตัวเองเรียนสําเร็จไปแต่มันก็ไม่ทําให้พ้นทุกข์อยู่ดีก็เลยแบบโอเคเพราะบางทีมันเรียนแล้วมันเกิดความทุกข์ในใจอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่า สิ่งที่เราต้องการลึกที่สุดในหัวใจก็คือการพ้นทุกข์ไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็โอเคถ้าทาคู่กันไปก่อนถ้าสมมติอินทรีย์ถึงก็คงอะไรอย่างนั้นครับก็เราก็เรื่องอ่านประวัติหลวงพ่อมาที่ตอนหลวงพ่อชอบปฏิบัติธรรมตอนเป็นค า, ารวัตมากในช่วงนั้นเชื่อเรื่องการเป็นว่ายตายเกิดหรือยังครับหรือแค่มีความสุขกันทําสมาธิอย่างนี้ครับทุกคนตอนนั้นไม่ค่อยสนใจเรื่องเป็นว่ายตายเกิดสนใจเรื่องปัจจุบันเรือ่องเราดับความทุกข์ใจ อ๋ออ๋อคือไม่ก่อนหน้านี้ก็แบบจะมีไม่มีก็ไม่ไม่ได้ใส่ใจมันแต่จนแต่ก็เรื่องมันไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือความทุกข์ใจไม่สบายใจอ๋อเพราะมันอยู่กับปัจจุบันนี้เลยอนี่ครับก็ก็ผมก็ที่อดีตถ้าอนาคตมีมันก็มีอะอดีตมีมันก็มีแล้วก็ไม่ต้องไปไปพิสูจน์มันก็ได้มันไม่เกี่ยวมันไม่สําคัญ ตัวสําคัญก็ ค, คือความทุกข์ใจทําไงไดิ้นรนมันตั้แต่เกิดเพน้นหนีความทุกข์หนีที่ไงมันก็ยังเจอมันอยู่น่นะก็อายุมผมอายุมากขึ้นผมก็เห็นตรงนี้ชัดขึ้นเหมือนกันครับอย่างเช่นอะไรอะ่ะเรื่องของตัวเองอาจจะ ก, ก็เห็นส่วนหนึ่งแต่อย่างเช่นเรื่องแบบรอบข้างก็เลยเข้าใจว่าความดีคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าจะมีเงินทองอะไรแต่ว่าถ้าไม่มีความดีสิ่งที่สังสมมาบางทีมัน จากฮีโร่กลายเป็นไวรัสแล้วก็เยอะแยะอะไรที่แบบก็ต่อใจเออเราก็ต้องรักษาความดีอะไรเหมือนเกลือรักษาความเค็มอเพราะว่ามันติดตัวตายไปก็ติดตัวไปได้ตีนแมาที่ปัญญานี่ก็เป็นแบบเหมือนแต่งตัวให้ชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆครับต้องก็ส่วนก็ประมาณนี้ก็แบบมีความก็ดีใจที่ที่อะไรอ่ะที่ผมรักความดีรักห่วงแหมความดีในตัวเองก็แล้วต้องทําให้มากขึ้นก็เลยรู้สึกเออ เลยเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นในส่วนนี้นะครับหลวงพออ่ออ่าดีพยายามรักษาความดีไว้เหมือนเกิรักษาความเข้มงนะ่าครับครับอาจะอยู่ในการไหมบรรยากาศบ้านโอ้อาจจะกลับหลังสงการครับหลวงพอ่อหมายถึงกลับเลยหรือว่ากลับมาเยี่ยมบ้านที่กลับกลับกลับกลับเลยครับจบแล้วเหละมาเรียนอะไรเรียนหนักสุด หลักสูตรภาษาครับเพราะเผื่อนํานําไปทําาหากินอะไรอย่างนี้ได้ครับออันนี้ในพูดกับคนญี่ปุ่นได้ไหมไปไหนบ้ไงนะก็อนิดหน่อยนิดหน่อยครับเพราะว่าญี่ปุ่นมันจะมีภาษาคันจิเขาเหมือนภาษาจีนก็จะอันนั้นมันต้องแบบอยู่นานกว่านี้ครับก็เอาเท่าที่ทําได้ไปก่อนครับแต่ชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นไก์อะไรอย่างนี้ก็สื่อสารก็พอได้ครับพอเคโอเคโอเคแล้ว โอเคครับดีใจที่ได้เข้ามาอีกอ ค, ครับโอเคครับครับพยายามทําเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จบแล้วนะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านนะ้ <c oughs> ก็ก็เลยเลยรู้ว่าพ่อแม่คือสิ่งที่สําคัญกับชีวิตมากค น, คนในครอบครัวเพราะบางทีอยู่ใกล้แล้วชอบชอบยินชาเขาทำดีกับเขาใกล้เกินกินด่างทำดีกับพ่อแม่ไม่มากพอพออยู่ไกลก็เลยเห็นคุณค่ <ทำ S 1> าของพ่อแม่หรือว่า อะไร่ปู่ย่าตายายเลยมากกว่าเดิเมผมก็รู้ว่าเขากว่าเขาจะการงานงมั่นคงหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้เขาเหนื่อยขนาดไหนซึ่งตอนเด็กๆ เ, เกิดมาพ่อแม่เขาก็มีฐานะแล้วอะไรมันก็เลยไม่เคยเห็นช่วงที่พ่อแม่ลําบากอื ม, มาอยู่นี่ก็เลยรู้ว่าพอเราพอายุเท่านี้ก็เกือบเท่าพ่อแม่ตอนแต่งงานกันละอะไรประมาณนี้ครับโอเคดีแล้วเป็นจิตสํานักมีความประทันยนู <c oughs> ไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจเลยถ้าสมมติเราเรียนแล้วไม่ตั้งใจเรียนก็ได้ดีมากโอเคขอครับอาจารย์ครับคุณเนงที่คุณเน่งตาออทมยังไม่ได้เปิดไมเลยคุณเน่งการนมัสการค่ะพระอาจารย์อืมเป็นยังไงค่ะก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ถ้ามีเวลาระหว่างวันยมก็ เข้าสมาธิเจ้าค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าจิตก็สงบได้เร็วขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคําถามคําถามหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาที่ทําบุญไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะให้ตัดใจเสียของที่ให้ไปแล้วไม่ต้องไปคิดไปห่วงอันนี้หมายถึงว่าของที่ถวายพระใช่ไหมใช่คะพระคุจ้าเนี่ยของถวายพรให้คนนั้นคนนี้เหมือนกันให้ใครก็ได้ ไม่ไปแล้วก็จบอ ย, อย่าไปอย่าไปตามดูว่าเขาไปทําตามที่เราอยากให้เขาทาหรือเปล่าอะไรต่างเจค่ะแล้วบุญที่เราทําไปอ่ะเจ้าค่ะหมายความว่ารวมถึงบุญไหมเจ้าค่ะว่าสมมุติว่าเราเราทําบุญไปแล้วแล้วเราเรายังคิดถึงบุญได้อยู่ไหมหรือว่าก็ไม่ไม่ไม่จําเป็นต้องคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคิดคิดนะในเชิงที่ เหมือนกัว่าคอยสอนใจเราว่าการทําบุญมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ยคิดได้แต่อย่าไปคิดถึงเรื่องบุญของที่เราถวายวัดเข้าไปแล้วหรือถวายใครใครเข้าไปแล้วก็จะไปทําอะไรบ้างอย่างไรไม่อ๋อเจ้าค่ะไม่ถ้าทําบุญแล้วเรารู้สึกว่าปลื้มปิติในบุญนั้นแล้วเราคิ ด, คดได้บุ ญ, บญอันไ ด, ได้ใช่ไหมคะได้ได้อ๋อเจ้าค่ะเข้าใจแล้วค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามนะแล้วจค่ะ โอเคสาธุสาธุแม่น้ำเลนตอบแม่น้ำเลนพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินชัดเจนจ้าเจ้าคะ่ะพระอาจารย์พอดีว่าของหนูก็ปฏิบัติคะ่ะพระอาจารย์แต่ประเด็นคือเมื่อวานเจ้าคะ่ะพระอาจารย์คือหนูอะ่ะก็พิการใช่ไหมคะแล้วก็ความรู้สึกก็คือ รู้สึกว่ามีพลังในการทํางานเยอะใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์พอดีเขามีกีฬาสีที่โรงพยาบาลหนูก็ยอยากรู้ว่าท่านยังงั้นหนูยังมีแรงในการเสิร์ฟวอลเล่บอลหรือเปล่าเจ้าค่ะหนูก็ลองไปเสิร์ฟวอลเล่บอลดูปรากฏว่าลูกมันก็ข้ามเน็ตแต่ว่าร่างกายมันหอบไปฟาด ก, กับพื้นพระคุณเจ้าหนูก็เลยว่าโอ้หนูก็เลยว่ า, เ, วาเราเราทําเกินเกินประมาณร่างกายแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยมาสอนตัวเองนะคะว่า แบบทำมากมากเกินไปอย่างเงี้ยเจ้าขับพระอาจารย์ในการไปแค่อยากรู้ว่าเรามีพลังในการเสิร์ฟลูกข้างเงี้หรือเปล่าเจ้าขับพระอาจารย์แต่ว่าร่างกายนี่ฟาดไปกับสนามเลยเจ้าขับพระอาจารย์ก็เลยได้แผ ล, <ด>แลทลอกมา ไ, มได้คําตอบไหมอยากจะรู้ก็ได้คําตอบแลได้คําตอบมาเลยว่าโอ้หือว่าเราไปหาความทุกข์มาหนูก็เลยว่าแต่ว่าโชคดีขับพระอาจารย์คือแผลก็ หายเร็วแห้งเร็วอะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็หนูก็เลยว่างั้นก็เราเป็นพยาบาลแล้วก็ใช้ว่านหางจร ะ, ะเข้ทามบรุรการน่ะมันก็แห้งมันก็เลยไม่ได้เจ็บอะค่ะพระอาจารย์พอหนูมีแผลที่แขนแต่ว่าหนูก็ถือถุงไปเอ่อไปแจกตุ๊กตาเด็กๆแต่และโรงพยาบาลได้สบายมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยบอกว่าหนูจะมีพลังเฉพาะทําบุญสร้างบุญอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไ ป, ไปเพิ่มกิเลสเมื่อไหร่มันจะมีปัญหา กับร่างกายทันทีอะเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. จนลืมไปว่าอ๋อหนูมีอุปกรณ์ในสมองคือทำตัวเหมือนปกติเกินไปเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือต้องยอมรับสภาพตัวเองที่เป็นนะคะพระอาจารย์เ mm hmm. นี่ยคะ่ะหนูก็เลยได้ก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะถ้าไม่รู้จะเวลาไปทำกับอะไรก็มาปฏิบัติทำดีกว่ามาเรีนยมกมนั่งสมาธิดีกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์พอไป เกี่ยวกับกิฬาสีอะไรอย่างนี้ร่างกายหนูมันไม่ไปค่ะไปเต้นหรือไปรําไม่เอาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่นั่งดูเฉยๆก็ได้นั่งดูเฉยว่าไปพอพอไปนั่งดูปุ๊บกลายเป็นอามีอาการง่วงเงี้ยค่ะหาวบ้างต้องรีบเอาหูฟังมาใส่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นอาการที่แบบแต่ก่อนยังแบบไปกับเขาเต้นอะไรไปกับร่างกายขยับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แตปัจจุบันนี้ นิ่งเหมือนต้นไม้เลยหนูก็เลยว่าโอ๊ยหนูก็เลยตลุกล่างกายตัวเองแต่ก um, okay. ่อนนี้เต้นเต้นไปกับเขานะคะแต่ปัจจุบันนิ่งอย่างกับต้นไม้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ไปกับเขาเลยแถมจะง่วงอีกเจ้าค่ะต้องแบบเอาหูฟังมาฟังธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อย่าไปก็แล้วกันงั้นอยู่บ้านนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่บ้านไปเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างอย่างอย่างจะมีวีใหม่เงี้ยเจ้าค่ะก็ ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมมาคะ่ะก็กลับบ้านมาฟังธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอรย์อ๋อตัวข้าคงรู้เราไม่สบายเราไม่ชอสมประกอบได้ค่ะอ า, า, าจารย์ค่ะาอ า, าจารย์บอกมาว่าอ๋อหนูมีปัญหาทางสมองค่ะก็เลยประมาณนี้แล้วเจ้าค่ะอ า, าจารย์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ่า ง, างสาธุค่ะโชคดีเรายังมาปฏิบัติธรรมได้มาเอาเวลามาปฏิบัติธรรมดีกว่านะเจ้าค่ะสาธุค่ะพักหน่อย พูดหน่อยใช่ไหมนิดได้ยินไหมพูดได้เลยตมามธรรมศสการพระอาจารย์ต้อค่ะอ่าว่ายังไงสบายดีนะ้สะสบายดีจะค่ะวันนี้ต้นน้ําก็มานะจ้ะค่ะอยู่หลังๆเนี่ยโดนโทษลงโทษอะไรก็แนละ้วเพิ่มอีกคึ่งชั่วโมงจ้ะค่ะออีกครึ่งชั่วโมงนั่งมสมาธิมาแล้วก็ฟังหรือเปล่าเขานั่งเหมือนจะนั่งหลับนะคะนั่งสมาธิ ต้นน้ำหลับไหมลืมตาหน่อยอต้องเขาเปิดท่าไหมปะเปิดค่ะน <Yeah. S 2> อืออ่าพระอาจารย์เจ้าคะคือต้อนน้ำจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของ่อยหรอกแต่ว่าคือหน่อยไม่อยากให้น้องทำผิดนะคะก็คือเขาลองดูดบุหรี่ไฟฟ้าะคะ่ะที่เขาเพิ่มมาอีกสามสิบนาทีอะคะ่ะขอทำมากเกี่ยวกับ เรื่องพวกนี้ไหนได้ไหมเจ้าค่ะ้วมันเป็นยาเสพติดเน่ยเหมือนบุหรี่นะมันไม่ติดบุหรี่มันก็มาติดไอ้นี่แทนะติดอะไรนั่นก็ไม่ดีเพราะเวลามันไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์มันจะทรามานก็เสียเงินเสียเงินเสียท่าวิ่งไม่ดีก็เสียสุขภาพด้วยแล้วไม่ควรที่จะไปเสพยาเสพทุกชนิดนะเสจติดทุกชนิด เจ้าค่ะแล้วขอธรรมะเกี่ยวกับเออ่ที่เขาคบเพื่อนอ่ะเจ้าค่ะเอาก็เพื่อนพระเจ้าบอกให้พบคนฉลาดคนที่เขาฉลาดกว่าเราดีกว่าเราอย่าไปคบคนที่เขาเร็วกว่าเราง้อกว่าเราเพราะถ้าไปคบกับคนง้อกว่าเราเรวกว่าเราเขาก็จะชวยให้เราง้อเท่าเขาให้เรวเท่าเขาถ้าเราคบกับคนที่เขาฉลาดกว่าเราดีกว่าเราเขาก็จะชวนให้เราเป็นคนที่ฉลาดกว่า อันดีขึ้นดีเท่าเขาอ่นี่คือเพื่อนนี้ที่พนต่ำเรามากนะถ้าเพื่อนชาบดืนมเล้าเขาก็จะชวนเราไปดินเหล้าใช่ไหมแต่เพื่อนชอบเล่เนการางันเขาก็ชวเเนเราไปเล่นการพนันแต่เพื่อนเขาชอบบุหรี่เนี่ยเขาก็จะชวนเราไปสูบบุหรี่แต่ถ้าเขาชอบเข้าวานเขาก็จะชวนเราเข้าวัดถ้าเขาชาบเนี่ยชวนให้เข้ามาห้องสูงเนี่ยเนี่ยเราได้เพื่อนดีดี ได้อา่านได้อา่านเลนะมาคอยชวนให้ไปในทางที่ดีใช่ค่ะก็เป็นการลงโทษแต่ก็เต็มใจเข้ามาก็ดีใจแล้วเจ้าค่ะเด็กผู้ชายเป็นห่วงอยู่เรื่องนี้แล้ะเจ้าค่ะอยาเสพติดนี่อันตรายนะถ้าติดติดแล้วมันเลิมยากเจ้าค่ะถึงจะได้ดึงมาอยู่ด้วยเจ้าค่ ะ, ะคือ ไม่มีลูกแต่ก็เป็นห่วงเด็กไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ้าคะ่ะก็ถือว่ า, าทําบนไปถ้าตจดบแล้วก็อนาคตก็หมดนะทำอะไรไม่ได้ในนักเสีก็เรียนไม่ได้ไปลงเรียนก็หนีเรียนใช่ใช่แ้คะ่ะก็ต้องดึงก็ ไม่มีสมาธิด้วยเจ้าค่ะก็เลยดึงเข้ามาให้มันนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยให้มีสติหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่แบบลูกลี้ลุกลนคือความเด็กเจ้าค่ะก็ดีให้เขาได้มายินได้ยินได้ฟังธรรมะเขาจะรู้ว่ามีอะไรเยอะแยะที่เป็นของดีที่เราไม่มีเราจะได้มาสร้างของที่ดีให้กับตัวเราบ้างอ่าทำบ้านี่เป็นของพิเศษนะทำใม้เราเป็นคนมีความสุขนิด เป็นคนดมมีมีความรู้ความฉลาดโอเค okay. มีอะไรไหมอืมไม่มีค่ะแต่ว่าอยากขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคือพระอาจารย์อจริงคือบางทีต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่เสียสละเข้ามาสอน Zoom บางทีไหนก็ลืม ท, ทั้งๆที่ไหนก็คิดนะพระอาจารย์ก็ไม่ได้ได้อะไรแต่ก็เข้ามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยสิคะก็มีเรื่องนี้สิคะแล้วมันเป็นหน้าที่ของเรานะหน้าที่ของพระก็คือสั่งสอนจัตธาญาติยู่หน้าที่ของโยมก็เลี้ยงพระให้อยู่ดีกินดีก็แลกกันแลกเปลี่ยนกันไปสิคะมีแค่นี้สิคะพระอาจารย์โอเคก็ขอให้พยายามศึกษาปฏิบัติให้มากๆก็แล้วกันนะ อยากให้เสียเวลาที่อาจารยมพูดปากเปรียนปากฉินแล้วไม่เข้าหูแล้วเข้าหูซ้ายออกหูขวาพระอาจารย์เจ้าคะมีอีกเรื่องหนึง่งเจะค่ะที่วันนั้นที่ติดเรื่องอ่าลมหายใจสุดท้ายก่อนตายที่พระอาจารย์บอกว่าให้เข้าโสดาบันไปเลยคือไหนปลงให้ปล่อยวางร่างอ๋อยอมตายค่ะก็คือมันก็จะมันก็จะไม่กลัวตายต่อไป ไม่ต้องไปดูลมหายใจที่ปล่อยช้าๆใช่ไหมคะให้ปรองให้เอาสติคิด ป, ปรงถูกไหมคะถ้าเราปรงได้ว่าน้ำาจไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเนินน้ํนาลงไปเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตายเป็นธรรมดาก็อยอมให้มันตายไปใจก็จะเบาใจก็จะปล่อยใช่ไหะเรื่องนี้ต้องจดนะค่ะเดี๋ยวลืมไหนต้องจดไปแล้วก็ค่อยมาอ่านเลยเจ้าค่ะเพราะไม่ไม่งั้นลืมแน่นอน การละสังขารร่างกายเป็นบุญเป็นความสุขอย่างยิ่งในเวลา ง, งานศพนี้ก็จะนิมนต์พระไปสวดอนิอนนจจาวัะสังขารนะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยมนี้ก่อนไม่หนับเป็นธรรมดาการละปล่อยวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ต้องรองมาละตอนใกล้ตายถ้าละตอนนี้ได้ก็สุขทันทีเนละยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องของร่างกายต่อไป ต้องฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะใช่อย่าไปรอทําตอนตายไม่ทันการก็คือถ้าเราไม่เคยฝึกอะไรแล้วเราไปทําตอนที่มันชวนตัวมันจะทยากทาไม่ได้เจ้าค่ะหน่อยจะตั้งใจแล้วนําไปคุณนะพูดในก่อนที่ถามมาก็ตอบไปในก่อนในที่ถามแต่ไม่ไในมาคำว่าให้ปรอไปทําเวลานั้นให้เตรมตัวทาให้ก่อนเจ้าค่ะก็คือ คือเจ้าค่ะเพราะว่าคืออย่างนักปฏิบัติทุกคนก็พยายามเอ่เหมือนกับดูลมหายใจดูมีสติดูลมหายใจอย่างที่บ้าอาจารย์บอกแต่ว่าคือสมมุติว่าถ้าไปเจออุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหนี่ก็เลยมันก็แล้วแต่จะทําได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ฝึกมาก็ทําไม่ได้อยู่ดีมาทํำตามตามสิ่งที่เราฝึกมาเจ้าค่ะก็พยายามฝึกนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะดีไม่กลัวความตาย ไม่กลัวตายนะคะกลัวไหนเหี่ยวนะคะ <laughs> ยังยังวางไม่ได้อย่างนั้นนะคะอเวลาตายมันพองขึ้นมามันอืดพองขั้นมไม่เหี่ยวแล้ว <laughs> <laughs> แต่ไหนเพ่ง็นกระโดกนะเจคะพรอาจารย์ไหนไม่กลัวกระโดกนะเจ้าค่ะมันดูสร้างสมบัติอยู่สุภาพมาก <laughs> เคยขึ้นมาอยู่เจ้าคะแบบก็มันแว บ, บขึ้นมาแล้วหายไปเลยเจ้าค่ะมันมีแบบ ตกใจเหมือนเด้งออกอะเจ้าค่ะอ่าไม่เปิดหนังสือกา ย, ยกรรตาสติดูมีเยอะของดีไม่ยอมดูกันชอบไปดูของที่เป็นพิษเป็นภัยเขาที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ไม่ดูไปต้องอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะคือที่จียงหนังก็บบยังมีความรังเกียจอยู่บ้างนะเจ้าค่ะเพราะว่าอาืดูไม่ได้จริงแต่ถ้าเป็นกระดูกมันแห้งไปแล้วอย่างนี้นเจ้าค่ะก็ขอดูได้เจ้าค่ะแต่ถ้าแบบยังมีนอนชัยแบบ ยัวเยะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เอาเลือกอยู่เหมือนกันเจ้าค่ะอานการที่ <นะ S 1> เรา่านการที่เราอยู่ประมาณนี้ตอนนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้าค่ะคือก็จะไปโกนหนังหวิวเรจะเป็นโกนหนังหวิวทำไมตายแบบหน้าตึงอย่างเงี้ยไม่ได้หรือะตอนตายมัอาจะหน้าตึงอาจจะสวยแต่ที่ไม่ถ้าพังมันก็ต้อง ยังก็ต้องขึ้นเหนอขึ้นอะไรอืมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคําถามแค่นี้เจ้าค่ะอ่าสาธุอ่าคุณสุภัทนาบอบินชนเบลีเขาน่ะการวสการเอามามาวันนี้มาขออนุญาตทักถามคําถามพระอาจารย์เป็นแนวทางเจ้าค่ะ ก็คือตั้งแต่เรียนกับพระอาจารย์มาพระอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ให้สะสมมีอะไรให้ให้ปล่อยได้บริจาคได้ก็บริจาคไปคือโยมแม่แม่มาทวงว่าให้โยมไปแบ่งที่ที่พ่อทิ้งไปให้ทีนี้โยมก็บอกว่ามันจํานวนไม่มากก็ให้น้องไปแบ่งกันโยมก็คือสระสิทธิ์แม่แม่ก็ทวงว่าอ้าวแล้วมันจะมีอะไรไว้เลี้ยงดูตัวเองแม่ก็เป็นหัว เมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แม่ก็มาถามอีกเจ้าค่ะอาจารย์โ<ม>ยมก็บอกแม่ไปแล้วว่าโยมโยมไม่เอาทีนี้แม่ก็บอกว่าเอ่อแล้วจะจะอยู่ยังไงคือถ้ามันไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรเลยโยมก็บอกว่ามันมีแค่นี้แม่ก็ทีนี้แม่บอกว่าตัวเลขอ่ะมันมากกว่านั้นมันตอนแรกแม่บอกว่ามีอยู่สิบไร่ทีนี้พอพอโยมถามไปอีกทีแม่บอกมีสิบแปดไร่ พยมจะตัดสินใจว่าแบ่งให้น้องคือไม่หารสี่แต่ว่าหารให้น้องมากกว่าตัวเองก็เก็บไว้สักนิดหนึ่งไล่หนึ่งสองไล่อย่างเงี้ยมันจะเป็นการเสียสจจลยะไหมคะพระอาจารย์คืออย่างน้อยก็ทําไม่ให้แม่ทุกข์ใจว่ากลัวกลัวว่าเราจะลาบากอย่างเงี้ยเจ้ค่ะก็อยู่ที่ใจเรานะรู้สึกยังไงถ้ารู้สึกเสียมันก็เสียถ้ารู้สึกไม่เสียมันก็ไม่เสีย คือตอนแรกโยงก็เราเราไม่เราไม่คนตั้งสัจจะเองโยงเราก็ต้องเป็นคนตัดสินเองว่าเราเราเสียสัจจะหรือเปล่าเราตั้งเราตั้งแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตั้งแบบนั้นมันก็ไม่เสียคือตอนแรกโยงคิดว่าวันมีแค่สิบไร่โยงก็อให้น้องไปหารกันแต่พอแม่บอกว่าเป็นสิบแปดไร่ก็พอที่จะให้น้องได้มากขึ้นแล้วก็ยังมีมีส่วนที่เหลืออโยมคิดอย่างนี้แล้วก็ ทำให้แม่ไม่เสียใจตอนแรกแม่ก็จะเก็บไปเป็นส่วนของของของโยมเนี่ยจะเก็บเอาไวย้เผื่อเื่อว่าตอนท้ายมาแบ่งให้ทีนี้โยมก็ไม่อยากให้แม่มากังวลว่ามันมันยังมีของตรงนี้อยู่ก็เลยบอกกับแม่ไปว่าไอ้นี่นเดี๋ยวจะขอคิดใหม่เดี๋ยวทอดถามอาจารย์ก่อนเราก็ แ, แพ่กิเลสของเราท่านหนึ่งเจ้าคะก็ก็เรื่องกิเลสกิเลสมันไม่ยอมปล่อยมันก็อ้างนู่นอ้างนี่กลัวแม่เสียใจ แม่ยังไม่เสียใจแม่ก็ดีใจเลยเราเนีย่ยยกให้น้องแม่ก็ต้องดีใจเพี่รักน้อง <c oughs> แม่กว่ากลัวไม่มีคนเลี้ยงเขาใหเขาไปหมดแล้วเดี๋ยวตอนไม่หนุ<อ>นตัวเราแล้ ว, ลวให้เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ น, <c oughs> นึกถึงมูลคุณของเราเองะถ้าเราไม่ไปทวงมุลคุณเดี๋ย ว, วถึงเวลาเกินแล้วทุกอย่างเกินร่างเขาก็มาช่วยเราเองโอเค่ะพอพอตอนสุขภาพมามาก คือมันมีแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะเราโลภหรือเปล่าเราจะกลับมาโลภหรือเปล่าก็<อ><ม>ใช่ไหมอย่างห่วงอยู่ก็อ่ะถึงแม้มันจะเพิ่มมาก็ถือว่าเราให้ให้เข้าไปแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> ขอพอบคุณจ <c oughs> เจ้าพระพจน์เป็นเป็นคําตอบสุดท้ายให้โยมก็จะได้สบายใจปใหญ่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวก็ไปอยู่วัดแล้วไปบวชชีแนละ้วใช่ไหเ อ, อะไรแม่แม่ก็ยังถามเราจะไปอยู่ที่ไหนเขาบอกเออมันยังมีอยู่อีก ครึ่งวายที่แม่เก็บเอาไว้ให้ก็เดี๋ยวค่อยไปอยู่ตรงไหนก็ได้แม่บอกแล้วเราจะอยู่ยังไงมันมีอยู่แค่นั้นที่ไม่ทําอะไรได้แล้วถ้าไปอยู่ถ้าไปอยู่แบบนั้นก็แสดงว่าเราเรายังไม่ก้าวหน้าถ้าเราก้าวหน้า <ๆ S 2> เราก็ต้องไปอยู่วัดแล้วเป็นช่วงนั้นแล้ ว, ลว จ, จะไป <ขา S 2> อยู่ที่ไหนไม่มีที่ไหนดีก ว, ว่าวัดแล้วสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะต่างมั่นเจ้าค่ะอาจารย์สาธุอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะอ้าจ้ หย่อมปุ้ยนักสำเบลกลับมสการค่ะพระอาจาราย์ยอมยมสบายดีโยมกลับมาค่ะมากรบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่าที่สั่งสอนโยมโยมปฏิบัติได้ทุกวันเลยแต่บางวันโยมก็มันเหมือนกับว่ามันไม่สนิทหรือยมก็มีสติอนะคะ โยมนั่งสมาธิบางวันสี่รอบบางวันห้ารอบแล้วก็ตอนนี้โยมก็เล่งเหมือนอย่างโยมฟังพระอาจารย์แล้วโยมก็ไปพิจารณาว่าเราเนี่ยความเพียรอะมีไม่พอโยมก็เลยเล่งเพียรใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์จากวันพุทธที่แล้วโยมก็เลยเล่งเพียรมาจะมาสะดุดก็เมื่อวันอาทิตย์นี่แหลคะค่ะที่โยมแบบหย่อนไปหน่อยหนึ่ง เพราะมัวเดือนออกไปซื้อของอของเข้ามาก็อย่าไปแร่งแบบก็ตายนะะแร่งถ้าพลางนแล้วไปอยู่นะต้องเร่งแบบเปล่านะทำไปเรื่อยๆไม่อยู่แต่เอะทีนี้โยมอะเวลาที่นั่งสมาธิบางวันอนะโยมรู้สึกปวดปวดแบบหรือว่าโยมแต่โยมก็มีสติว่าโยมอาจจะเพ่งเกินไป เพราะมันโยมมีความรู้สึกว่าตาเนี่ยตาเราไม่ได้เปิดแต่มันเหมือนกับตาอะไรมันเปิดอ่ะแล้วมันมันข้างในมันเปิดแล้วมันมันเห็นแสงแล้วโยมรู้สึกมันเหมือนมีใครเอาถิ่มมาทิ่มทิ่มหัวโยมอ่ะมันเป็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องสนใจไม่ใช่อาการต่างๆานี่มันเป็นอาการของจิตนะจิตมันสร้างขึ้นมาใช่โยมก็ยังคิดอยู่ว่าโยมจิตหลอนหรือเปล่าวะ มันกิยไม่มีไม่มีสติมันก็เลยมันก็เลยสร้างขึ้นมาไอ่โยมก็มาหาพุทโธกามากามาหาสติแล้วทุกอย่างก็จะสงบตัวลงไปเองนะฮะโยมก็ทําเหมือนอย่างกับที่ทางสายอพระจานทร์ที่ชาจรสอนพุทโธธรรมโอสังโฆแล้วโยมก็ขึ้นขึ้นขึ้นต้นไม่ได้โยมก็พุทโธธรมโอสังโฆแล้วโยมก็นั่งไปเลยนั่งพุทโธไปเลย เพราะโย ม, มเคยเรียนมาทางสัมมาหลังโยมคิดว่ามันก็คล้ายๆกันน่นแหละเพราะผลสุดท้ายเราก็เข้าสมาธิได้เหมือนกันน ะ, ะแต่โยมก็ใช่โยมจะถามมีอยู่ข้อหนึ่งคือว่าเวลาที่โยมฟังพระอาจารย์เทศนี้ยคือโยมรู้สึกขำอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นพระอาจารย์ท่านอื่นอย่างไปฟังธรรมของพระอาจารย์เปลี่ยนเงนี้ยโยมรู้สึกขำนะโยมหัวเราะออกมานี่บาดไหมฮะเราไม่สํารวม กวรจะฟังหัวล้ อ, อในใจอย่าหัวล้ อ, อมาหัวล้อก็คื อ, อ, อเพราะว่ามันมันเราไม่ได้ว่าหัวเลาะในด้านไม่ดีนะเรารู้สึกแต่มันก็ ม, มันมันไม่สํารวมไยมันไม่ไม่ไ ม, มให้ความปรลอบกับทําทีาท่เราฟังอยู่อราต้องสั่งลกายวาจาใจขณะที่ฟังทํ า, ท า, ท า, ทาอ๋อเข้าใจแล้วฮ่ะอ๋อ มันไม่บาปหรอกเองแต่ว่ามันไม่สมควรมไม่เหมาะส ม, มเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่โยมฟังพระอาจารย์อ่ะตอนที่พระอาจารย์มาเทศตอนแปดโมงเช้าอ่อที่หน้ากุฏิอ่ะโยมรู้สึกแบบมันหายไปอ่ะแต่ตอนเนี้ยโยมมันหายไปโยมนั่งๆแล้วมันหายไปแต่โยมก็ยังได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่ในหูตลอดเลย คือโยมจะนิ่งสงบไหมคะอย่างเงี้ยยังไม่สงบถ้าสงบมันต้องว่างไม่มีอะไรทำ ต, ต, ต่อไปนะโอเคทำอทอแล้วทําปฏิบัติทุกวันเลยพระจานาร์ศีลเจ็ดศีลแปดลอยเย็นค่ะพยายามรักษาระดับการปฏิบัติมาอย่าให้ย่อดอยมใช่เพราะว่าโยมจดเอาไว้เลยตอนหน้าที่นอนว่าโยมจะต้องขอบคุณพระจานทร์ทุกคืน โยมโยมจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามคึ่งทีนี้บางวันเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโยมบอกกับอาจารย์ว่าโยมมีตัวขี้เกียจอยู่เยอะนี้โยมพยายามตัดตัวขี้เกียจออกมาเยอะแล้วค่ะ น, นี่โยมก็วันนี้โยมก็ตื่นตั้งแต่ตีสามคึ่งแล้วก็โยมก็มานั่งสมาธิคือใ น, ในหนึ่งวันเนี่ยโยมตั้งเป้าว่าจะต้องไม่ต่ํากว่าสามสี่ชั่วโมงโยมตั้งเป้าไว้เลยดีมากดีมา ก, มากอืมโอเคนะ ค่ะอาจารย์โยมขอให้พระอาจารย์ทาตุขันแข็งแรงค่ะโยมถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่ะอาให้มีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะน้อมรับบุญค่ะอ่าทูค่ะคุณมณิการาพิว่ากราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์กล้วก็มีแบบทดสอบ ถ้ามานีครับอาจารย์เพราะว่าเหตุการณ์ที่ลูกเจอก็คือแบบอารมณ์โกโรธที่ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตแล้วก็พอเจอกับปัยู่บ้านแม่นะครับอาจารย์แต่แล้วก็เราก็รู้ว่าอ๋อมาจากความไม่มีสติของเราที่เราเคยมีอารมณ์อย่างนั้นคือถามพรอาจารย์ว่าการที่ว่าเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือเป็น เป็นกรรมของเราหรือว่าเป็นอะไรท่พนอาจารย์หรือว่าที่ทําให้แบบเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในสมัยเด็กๆแล้วทําให้เราพอกลับไปกับแม่เราก็เจอเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งทอาจารย์ อ, อ่าไม่สําคัญอ่ะมันจะมาจากอะไรสําคัญว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไงเราต้องวางนะเฉยท่านเองเราต้องวางเฉยสักแต่ว่าลุ้นก็พออย่าไปขุดคุ้วยว่ามันมาจากไหนเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์เลย ปัญหาไม่ได้อีกเทียงานงานอยู่ที่เราเฉยได้หรือเปล่ากับเหตุการณ์ต่างๆก็แสดงว่าพอเราไ ป, ไปูไปรู้อะไรลักษณะอย่างนั้นก็คือเราสามารถเท่าทันอารมณ์ของเราได้ชเช่นที่เจ้าค่ะพอาจารย์รู้รู้ว่ารู้เฉยๆไงรู้ว่าอย่าไปต่อต่อก่อนต่อความยาวสาวความยืนไม่ไม่ไม่ไดม่ไม่ใช่เป็นแบบนั้ น, นะคะพระอาจารย์ ก็คือแบบพอเรารู้ไปปั๊บเราก็อ๋อจุดบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนเรารู้รว่ า, าต้องเ น, นี่ยมาเมื่อกี้ถึงวันนี้มันก็ยังต่อความยาวสาวความยืดอยู่หย<อ>ุดบอกพ่อเราได้ไวิเคราะห์ได้เราบกพร่องตรงไหนเรารู้รู้เปลรู้แล้วก็พยายามแก้ไขแล้วก็แล้วก็นําเอาคําสอนโดยที่ว่า ก็โยกเอานำคำสอนของผ้าอาจารย์ที่เคยสอนแล้วก็มามา้อ ม, มปฏิบัติแล้วก็ก็ได้ผลก็ได้ผลดีนะคะผ้าอาจารย์ก็<ม>อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็แบบทำให้เรามันมันดีขึ้นคือค่ๆกับว่าเราก็ต้องไม่ไม่วนเวียนอยู่ในในวัตจักรวัตวนตรงนั้นว่าเราก็ได พื้นตรงนั้นมาคือคล้ายๆกับว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นสนิมอยู่เราได้ก็ได้กระเทาะสนิมมันออกมาแล้วก็เราก็ทําตัวให้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะพระอาจารย์เพราะเออนะจุดตกค่อดของเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พยายามทําให้ดีขึ้นอะไประมาณนั้นพระอาจารย์พอจกต้องก็ต้องวิเคราะห์หนึ่งมุมเราแก้ไขดัดแปลเพราะว่าสาเหตุก็เกิดมาจากตัวเราเองนะพระอาจารย์อือก็จากกิเลสของเราเท่านั้นแหละใช่ โอเคนะมีทานนี้นะะาท่เลนะคะพเจ้าตาตุเจ้าค่ะอ่าคุณนันทะเลนนทะเลอยู่พัทยาเลยไม่อยู่กรุงเทพสวัสดีได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินจ้ะอยู่พัทยาเจ้าค่ะโอเคกลาวนมัสการเจ้าค่ะพเจ้าจำเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะไม่มีคาถามเจ้าค่ะโอเคยัอไปสาธุเจ้าค่ะบาลีกอรธอรมอวุากาศ หลวงพอ่อค่ะ น, นี้หนูอยู่บางบัวทองคะ่ะอืมเป็นทํางานอยู่ใช่ไหมช่วงนี้พอดีหนูหนูเป็นโควิดนะคะหลวงพ่อหนูหนดีใจที่หลวงพ่อไม่เป็นอ่าไม่แน่เลยนี่อาจจะเป็นก็ได้ไ <c oughs> แต่ว่าในบ้านมมีใครเป็นเลยค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ไปอะไรที่ไหนมีแค่ไปซื้ออาหารเท่านั้นนะคะหลวงพอ่อ ไม่ไ ม, ไม่ต้องไปทํางานทั้งเวลาทำงานมาอยู่นี่มันอยู่คนเดียวแต่ว่ามันไม่เงียบมันมันก็มีเสียงระควรแต่ว่าก็ อ, อยู่อยู่ได้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าหนูเอาเครื่องคอมมาทํางานด้วยค่ะหลวงพ่องานงานแค่กีวันเนะ่ยไม่ต้องไปทํางานกีวันถั้งอาทิตยะก็จน จนกว่าจะหายอ่ะค่ะหลวงพ่อเพราะว่าถ้ามันยังขึ้นต่องขีดเนี่ยเขาก็ยังไม่ให้ไปอะค่ะอืมก็ดีได้ๆเป็นวิช่วยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะหลวงพ่อหนูก็นั่งนั่งปฏิบัติลงลงมาจากเข่าหลวงพ่อค่ะแบบรู้สึกดียิ่งดีขึ้นไปอีกค่ะหลวงพ่อเวลาปฏิบัติดีดีขยับขั้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะ อค่ะโอเคก็ให <Okay, S 2> ้เร็วๆนะทุกขอบพระคุณค่ะไม่ไม่ต้องทุกข์กับอะไรค่ะหลวงพ่อก็ดูร่างกายไปดูเจ็บดูอันนี้จังไปเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบพวงเราข้อสอบพองเรแล้วข้อสอบมาหาเราแล้วเราฝึกยังไงใช้หรือไม่เฉยค่ะหลวงพ่อแต่มีคนคอื่นเขา เาเดือดรนแทนเราหนูเฉยหนูไม่ได้ไปหาหมอ well หนูก็ตามใช่ค่ะเอยู่กันไม่ได้ค่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นห่วงมากมายอย่างวันนี้เขาก็แอบขับรถมาจากอยุธยาบ้างอะไรเนี้ยค่ะแอบมาดูอะไรเนี้ยหนูก็หนูก็บอกว่าไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากมายอะไรเนี้ยคือทุกคนบอกว่าให้หนูไปหาหมอหนูก็ไม่ได้ไปค่ะหลวงพ่อก็ก็มันไม่ได้เยอะมากมายอยู่ได <External> ้ค่ะเฉยเฉยค่ะหลวงพ่อไม่ต้องกินยาก็ได้ค่ะ S <S หนูกกนหนูไม่ได้กินหนูไม่ได้กินฟาววิอะไรของเขาก็ก็ถ้ามันมีอาการแบบจะเป็นไข้ทนไม่ไหวก็พาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ <S 2> <S 2> <S แล้วก็กินน้ําขิงกินอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นนะคะหลวงพอ <S 2> <S 2> <S ่อ น, น, น้ำมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S เป็นมาเกือวานาันละสองวันวันเนี้ยค่ะเพิง่งเพิ่งจะมีเพิ่งมีอาการเมื่อวานเนี้ยค่ะหลวงพอ่อคะหนูยังรู้สึกว่าเอ๊ะ ไปแพ้เชื้อให้หลวงพ่อหรือเปล่าเพราะว่าก็ไปใกล้อยู่แต่เห็นหลวงพ่อไม่เป็นอะไรก็โอเคค่ะอาจจะเอาเชื่อจากเราไปก็ได้นราจะเปดนเชื่ออยู่ <c oughs> <c oughs> หนูหนูกลัวจะไปเอาไว้ให้หลวงเอาไว้ให้หลวงพ่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆนในซูมจะไม่ได้เรียนค่ะหลวงพ่อ <c oughs> <c oughs> ถ้าหลวงพ่อ ป, ป่วยถ <c oughs> ้าหลวงพ่อ <c oughs> ไม่ต้องกังวล น, นะรอสักครู่ไม่ต้องไม่กังวล ค่ะโอเคหายเร็วนะขอบคุณหลวงพ่อค่ะสายฟูค่ ะ, ะคุณตายพัทยาเพื่อนคุณตายน้อประกาศน์มรรคการการพระอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมค่ะอ่าไม่เป็นนะไม่ได้เป็นคอมเนตนะอ๋อเป็นมาแล้วคะ่ะพระาอาจารย์เป็นแล้วคะ่ะหายแล้ว ค, ค่ะเออ ยังไปไ<ด>ไที่อุณนานตอนนะอุนานอุดร น, นทานนี่กลัมามาตรการครับอาวันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคคุณนิานนสาเออเอกลับมามาตการค่ะอาจารย์ลู ก, ก็มารับฟังค่ะไม่มีคําถามค่ะคได้ยินไหมครับได้ยินจ้ะได้ยินค่ะค่ะน้องปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะครัอาจารย์ไม่ยอหยอค่ะ ก็สงบดีค่ะพระอาจารย์ อ, อบคุณเล่าใตาขอบคเ่ตาดีที่ไหนน้องกับกนัการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่นครราชสีมาเจ้าค่ ะ, ะจำเสียงได้จำเสียงได้มันนี้มีคำถามเจ้าค่ะคือต้องต้อง รักษาศีลระดับไหนถึงจะเป็นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะถึงอาทิศีลแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋ออาทิย์ศีลก็หมายถึงว่าเราเร า, เรามีความรู้สึกว่าเราจะไม่ทําบาปอีกนะครอ๋อ ต, ต้องเป็นภระอริยะบุคคลต้องเป็นพระริยะบุคคลถึงจะเป็นอานทิตศีลทีนี้ถ้าการที่เราจะไปเข้าไปถึงอาทิศีลได้นี่อย่างอย่างคุณพ่อไปผ่าตัดไทรอยมาแล้ว เขาคุณแม่ก็ให้คนคนหมายถึงว่าคนไปซื้อปลามาแล้วซื้อปลาก็ต้องสั่งค่าปลาเพราะว่าปลาตอนแรกมันก็ยังไม่ได้ตายสนิทอ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยไม่กล้ากินปลาแต่ว่าในใจลูกก็ยังมีดีใจอยู่ที่คุณพ่อได้กินปลาอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงอธิศีนใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าคือลูกไม่สามารถพูดได้ว่าลูกผิดสีห้ามามานานแล้วแต่ว่าก็ไม่กล้าพูดว่าพูดว่าไม่ผิดอ่ะเจ้าค่ะเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่ามันมันีผิดตอนที่เรายังไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ ถ้ายังไม่รู้ยังไม่ใช่ถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ผิดไหมเราจะมั่นใจเลยว่าเราไม่ผิดศีล <c oughs> ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่โอกาสเจ้าค่ะแล้วก็แล้วถ้าสมมุติว่าครอบครัวแบบคือทางโลกค่อนข้างเสถียรแล้วแล้วก็คุณพ่อก็แก่แล้วชอบไปเที่ยวรวมกันกับพี่สาวอีกครอบครัวหนึง่งแล้วก็เอ่อ อยาให้ไปเที่ยวพร้อมหน้าแต่ลูกอะ่ะแล้วคุณพ่อแล้วลูกสามารถไปปฏิบัติอยู่เป็นเดือนเดือนที่วัดก็ได้แต่ว่าคุณพ่ออยากให้ไปตอนที่คุณพ่อไม่ได้ไปเที่ยวแต่ตัวลูกก็จะรู้สึกว่าเราเห็นแกนตัวที่ไม่ช่วยพ่อมแม่ขายของควรจะควรจะไปอยู่วัดตอนที่เขาไปเที่ยวกันสามสี่ห้าวันก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะ ไม่ไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วไปว่าแทนนี่เราพ่อแม่เสียใจนี่บาปไหมเจ้าคะ่ะแต่ว่าควรจะไปตามที่พ่อแม่ประสงค์ก็คือให้ไปตอนที่เขาทํางานแล้วก็ไปเที่ยวกับเขาให้พร้อมหน้าอย่างนี้เจ้าคะก็ใช่ทําให้เขาเสียใจเขาแสดงว่าเราไม่เมตตาเขา<อ>เรอเมตตาเราต้องทําให้เ้ามีความสุขต้องทําตามที่เขาสบายใจใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่แน่เสมอไปถ้าเราคิดว่าสิ่งที่ทเขาทามันไม่ถูกเราก็ เราก็ไม่ทำกันได้แ่เขาก็ต้องเสียใจเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาสบายใจให้เราไปเที่ยวด้วยแต่ว่าถ้าอยากไปวัดก็ให้ไปตอนเขาทํางานปกติแล้วเขาก็ไม่อยกให้เราช่วยงานอะไรมากอะไรอย่างเงี้ย เ, เจ้าค่ะเนพระพุทธเจ้าท่านท่านก็ไปบวชพ่อก็เสียใจไหมเจ้าคแต่มันการกระทํามันมันเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่มันก็ไม่ต้องกัวงวลกับความเสียใจของคนอื่น แล้วอย่างนี้ลูกควรจะไปที่ไปไปบวชไปถึงไปบวชไปีไปอยู่ที่วัดตอนไปปฏิบัติอยู่ที่วัดตอนที่เขาไปเที่ยวหรือว่าตอนตอนที่เขาทํางานอยู่ที่บ้านดีหรอคะเราก็ต้องตัดสินใจ เ, เองเลยก็ได้ว่าอะไรเอาใจเขาเรื่องเอาใจเอาใจเราเอาธรรมะหลวงตาบัวบอกว่าหลวงตาท่านบอกว่าท่านไม่เจนใจคนท่านเกณฑ์ทนเกณฑ์ธรรม ถ <Okay. S 2> ้าเกณฑ์ใจคนถ้าเกณฑ์ใจคนทำก็แหล้เจ้าค่ะทีนี้ okay. อีกข้อ<พ>เดียวนะเจ้าค่ะพุทธโทเ <ừ. S 1> จ้าค่ะสมมติว่ารูป <ừ. S 1> คือคือรูปชอบอาณาปานสติแล้วก็แต่ว่าก็ชอบพุทโธด้วยตอนที่ตอนที่มันฟงุงๆอยู่พุทธโทแล้วมันดีสมมุติว่าพุทโธไปก่อนแล้วค่อยหยุดพุทธโทแล้วก็ไปต่อ อ น, นาปานติขั้นสามก็คือรู้การทางกายรู้กองลมทั้งกอ ง, ง, งเลยอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้ได้อ๋อหนักรเขากวาคุณหลพ่อเจ้าคะ่ะโอเคมาทั น, นี้ก่อนนะเจ้าคะ่ะหนังกรปฏิบัติบูชาเจ้าคะ่ะอ่าคุณบูชาคุณบูชาดีเวลาที่ว่าวันนี้เข้ามา ก, ก่อนเนาะมุ่งดอไปนะงานแต่งงานครับ เมื่อกี้มันหลุดออกมาเองอะค่ะอาจารย์อืมรู้วันนี้ไม่มีคําถามกับพระอาจารย์มาฟังธรรมค่ะกำลังโยมนะคะขอขอให้อาจารย์ช่วยขยายเมื่อสักครู่นี่ยะที่พูดบอกว่าความสงบมันจะมีอยู่สองแบบคือรวมเป็นหนึ่งเดียวกับว่านะคะขอขยายความข้อนี้หน่อยได้ไหมคะก็อัปปนาสมาธิจิตสงบเนี่ย แต่บางทีนิ่งเราอยังรับรู้ขันอยู่ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นลดอยู่กับอัปปนาสมาธิแบบรวมแ้วเหรือแต่จิตนล้นๆสักแต่ที่เหมือนกันก็มีอุเบกขาเท่ากันได้วางเฉยแม้จะรับรู้ว่าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ลาคานแม้จะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเข้ามาก็ไม่ลาคาญไม่สนใจเฉยๆหัวใจนิ่งเฉย บางทีมันไ ม, มน่มันเข้าไม่เรื่องเต็มที่ไงก็เข้าเราอย่างเราสามารถรับคําได้รับรู้ต่ารูปเสียงเกี่ยวรอดได้แต่นี่เราไปกําหนดไม่ได้ยาแบบไหนมันอยู่ที่กําลังสติของเราคือพอแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะฟังแล้วรู้สึกเอ้ยมันมีกําลังใจค่ะเพราะว่าบางทีคิดว่ามันต้องรวมเป็นรวมเป็นอย่างเดียวเลยแต่พอปับเป็นแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าเราก็ยัง ได้อยู่อะค่ะจ้าได่เข้าใจมากทเราได้อุเบกขาตสิ่งที่เราต้องการก็วุเบกขาจ้านิ่งเฉยนะตอนที่นั่งเจ็บปวดกับร่างกายแล้วพอเราใช้สั้นลังสติไปสักพักหนึ่งจิตก็วางเฉยแต่อาการเจ็บปวดก็ยังอยู่ก็ได้คือเดี๋ยวอยากการเจ็บปวดตอนที่ไม่สงบนี้โออยากให้มันหายอยากจะลุกไม่อยากจะทํา แต่วอ า, าบังคับให้มันอยู่แบบพุโทโธพุโทโธไปสักพักมันนิ่งเฉยอาการเจ็บปวดไม่ได้หายไปแต่ใจก็อยู่กับมันได้บางอยากให้มันหายก็หยุดไปเข้ใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะมีกําลังใจขึ้นเลยค่ะอาจารย์นัทธวุฒิค่ะขอพบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์เท่านี้ค่ะนัทุฒิคคุณหมอทนะัทธวุฒิต่อ ลงจากเขามาแล้วเหรอลงจากเขามาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเไปมาอยู่กี่คืนสองคืนครับไปขึ้นวันอ่าเสาร์ไปไปวันอาทิตย์กับปัญจันทร์ครับนะฮะอ๋อไปในคืนวันเสาร์อ๋อทำงานที่กับวันจันทร์กับบัญจันทร์ะะอืาก็กือสงบติครับน ะ, ะ, ะในชั้นแบตเลยนะใช่ครับในชั้นแบบอีกหนึ่งครับน ะ, ะอืม ไปคิดฟังหลวงพ่อที่คุยกับคุณหน่อยเรื่องออนิจจาวัตสังขาราเตสังมุปธรโมสุขข่พอดีผมสงสัยมานานแล้วครับอ่าเวลาเวลาไปงานศพแล้วเขาเทศคือความเข้าใจของผมเนี่ยก็ต้องละทั้งสองตัวใช่ไหมครับสังขารภายนอกกับภายในคือละปล่อยร่างกายแล้วก็สังขารภายในกคือไอตัวความคิดเหมือนกับเราอยู่ในสมาธิแล้วก็ไม่ไปไหลตามมันก็ปล่อยมันเกิดดับเกิดดับไปมันมากขนานั้นเลย ีใ น, นที่เกิดขึ้นที่เป็นการปรุงแต่งเนี่ยมันอาจจะเป็นลดโยน์เข้าของเงินทองมันก็เป็นสังขารได้เหมือนกันครับก็คือถ้าเราไปยึดติดกับมันเราก็จะทุกข์กับมันถ้าเราปล่อยวางมาันเราก็รเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะสุขอย่างเมื่อกี้ที่สอนคุณสภัฒนาติดที่ดินไงดินก็สังขารเหมือนกันถ้าวางสังขารได้แล้วก็สบาย ไม่ต้องมากระวนกระวายอะไรทุกอย่างก็คือเป็นเป็นสังขารทั้งลูกันเป็นระทับนั่นประทับครับที่เราอะไรที่เราไปยึดก็คือปล่อยปล่อยวางปล่อยอุปทานอันนี้พระท่านเปิดสอนตอนตอนตอนคนตายก็เลยมายถึงร่างกายของคนตายครับอ่าอ่าน่าโย่อะทุกอย่างที่ใจไปไปยึดไปไปละไปไปติ้ครับทุกามันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องดับไปเป็นธรรมดา ครับครับทุกอย่างอันันนี้จังทั้งหมดครับนะยศสารสงก็เหมือนกันก็เป็นสำคัญครับครับครับติดก็ทกขครับอ่าใชครับนั่นแหละหมายความาเพอะเราไม่ติดแเราปล่อยวาแล้วเราสบายใจมันจะไปก็ไปมันจะมาก็มาไม่ต้องไปเดือดร้อนเข้ามันใช่ไหมครับอ่าละเอ็กมันก็ทำไปไปทุกข์ไปหลงกับมันครับอ่าเข้าใจแล้วนะ เข้าใจครับเข้าใจครับครับทุกอย่างดูที่ใจว่าสงบไม่สงบถ้าถ้าใจสงบก็ใช่ได้ถ้าไม่สงบก็แสดงว่าไปยึดไปติดอะไรไ <ป S 1> แล้วก็ล ะ, ะให้มันได้ได้ครับอความสุขออกมาครับทุกเกีสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกกับคนนั้นคนนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ปล่อยวางวันแล้ววันอนละ่ครับไปถ้าทุกเรื่องเลยครับไปได้ แต่ก็ก็เป็นก็เป็นในตัวอริยสัจใช่ไหมครับทุกโดยจากความไม่สงบเกิดอะไรขึ้นครับว่าาอคนสมุทัยแล้วก็มัดมีโหลดเข้ามามัด ก, ก็ต้องเห็นไตรักเหน็นนั้นจังทุกข์กับอนัสสังครับครับเกิดไตรักครับอริยสัคค จ, จครับครับครับอาจารยนะประจัยครับ ใช่ครับต้องพยายามปฏิบัติให้เกิดขึ้นครับพยายามพยายามมองตัวอย่างว่าเป็นสังขารใช่ครับโลกธรทั้งหมดนี่ยเป็นสังขารใช่ไหมครับนมาทาก็ด้วยใช่ไหมครับขั้นห้าก็คือการไปลงในสัญญาลงในในสังขารครับละไม่ได้หครับได้ครับโอเคเข้าใจครับมีอีกไหมมีอะไรห อันนี้ยังไม่มีครับอันนี้ยังตัดกันอ่าต้องต้องมีเวลาเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีความตั้งใจอยู่ครับก็เดี๋ยวอ่ค่อยๆนี่ยครับค่อยๆตัดค่อยๆละครับจริงก็เป็นรับยศสระเสรินนั่นแหละที่ยังติดอยู่เลยยังไปยังยังมีกรรมอยู่ผมไมค่อยปล่อยครับยังมองไม่เห็นว่ามันทุกข์นะที่มันสุขอยู่ก็ดูดูพิจารณาอยู่ครับไป ก็ยังดูว่ามันจริงมันไม่ได้สนมันถกรับอหมอันอีพิโซดด้วยว่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทั้งทีแล้วตั้งใจจะไปวัดในสักสี่ห้าวันมีไปเลคเชอร์ให้ไปเลคเชอร์แเราไปตามไปก็ไม้แล้วกลับมาแล้วรู้สึกไม่น่าไปเลยี่วัดสบายอาจะให้ตอนเย็นน่าจะสบายกว่าจะไปลงในรับยศตระเสนอนี่ครับโอเคครับผมไปปฏิบัติไปแล้วมันก็จะรู้ทันเรขึ้นครับ ครับคุณจอยมาเทียได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะชัดเจนหนูเออหนูยังไม่มีอะไรค่ะแล้วหนูไปใส่บาตรโอเคทำให้ขาดนะเนี่ทำอย่างต่อเนื่องเลย โอเควันนี้คุณจิม่้แล้วจิ๊บจิ๊บเชอร์ตี้มาจิ๊เชอร์ตี้มาตอนนี้ไม่ไน่สายราคาจิบปูพังไปแล้วรถจะไม่แล่นรถยงก็เริ่มพังระคะรถจริงๆอะค่ะจะต้องแบเปลี่ยนสายพานมาขับมาประมาณแสนไมล์ราคาจานไม่เวลาได้รถใหม่ก็มั้ง อุ๊ยอะไรค่ะวันนั้นยมผ่านมาวนั้นยมไปไปสนีแล้วมีคนนึงอะค่ะเขาควันเขาขึ้นร้นแล้วยมก็พยายามวิ่งไปตามหาเจ้าของอะไรเงี้ยไปไปมาเจ้าของเขามามันคือมันไหม้ทั้งคันไปแล้วพระอาจารย์ตำรวจมาเขาก็เฉยๆตำรวจก็ไม่ช่วยอะไรยมก็แบบเฮ้ยถ้าตำรวจเขามีถังดับเพลิงเขาช่วยดับมันก็คงไม่เป็นไรแต่ตำรวจเขาถือว่าไม่ใช่หน้าที่เขาเขารอนักดับเพลิงอะค่ะเป็นนัก ด, ดับเพลิงมาก็ไหม้ยมก็แบบ โอ้โหนี่แล้มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเนี ie, have good ่ยซัมวันกันนะคะแต่กูดคริสต์มาสยงก็แบบฮะแล้เขาจะได้รถใหม่ไงโยงก็โอ้ยคงไม่ใช่เแน่ยินดีนะเพราว่าเป็นรถใหม่เดี๋ยวนี้มันแพงมากเลยค่ะพาราจ่าโยงก็แบบโอ๊ ui, ยยงก็ถนอมพงโยมไปก่อนคันที่โยมมีอะไรยเงี้ยค่ะก็คุยทำเหมือนว่าทำเหมือนว่ารถมีจิตวิญ ญ, ญาณโยงก็บอกว่าอยากเป็นอะไรนะลูก ปรุงแต่งไปก็ก็โค่ะอาจาย์แล้วอาจาย์สบายดีนะเจ้าคะอ่าสบายดีจ้ะอ่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาเพราะว่าช่วงนี้บริษัทเขาเอ่อเขาเมิร์ชกับอีกบริษัทนึ่งอะค่ะบริษัทใหญ่เขามาซื้อบริษัทโยมมันก็เลยทําให้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตําแหน่งหน้าที่โยมก็ก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะค่ะก็อก็แบบว่าเออก็ก็เลยต้องแบบเออก็ต้องทําใจถึงมันไม่ได้ เขาไม่ได้ไล่เราออกเขายังให้เงินเดือนเราเท่าเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะมาทําตําแหน่งงานที่มันก็เหมือนเดิมแต่มันน่าเบื่อมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจากที่เราเคยรับผิดชอบเยอะก็เหลือนิดนึงเหลือครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยงก็ควรจะดีใจแต่แบบอยากทําอะไรที่มันท้าทายมากกว่านี้อาจารย์มันก็คือวันนั่งมองเออมันก็คือความอยากนั่งช่างมันเทิงเขาให้อะไรเรามาเราก็ทําตามที่เขามอบหมายการทําไม่ดีที่สุดเลยอ่ะตามไม่ตามเกิด ใช่ค่ะก็เหมือนน้องสันโดร์มักน้อยโยมก็เออมักน้อยไม่ต้องให้งานโยมยังก็ได้จะมักน้อยทุกอย่างแหละอืมอ่าอาจารย์ก็จะพยายามปฏิบัติปีใหม่มาถึงก็จะจะตั้งใจให้ปฏิบัติให้มากขึ้นยิ่ ง, ย, งยิ่งขึ้นไปนะคะอ่าค่ะอาจารย์ลาสักครูค่ะพอาจารย์ขอขอปีใหม่มีแต่เรื่องดีดี ผ่านมาหกปียมจะเริ่อหนักๆทั้งนั้นเลยเอมรบว่าไม่ไหวละขอไม่ได้ลนะขอไม่ได้มันจะมาก็ต้องรับเหมือนไปนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรยังไงก็ถ้าม า, มาอีกโ<ล>กยมก็จะมาโลกมันเป็นอย่างเนี้มันไม่ได้ของดีของไม่ดีใช่ค่ะอยาไปอย่าไปกลัวมันเลยมันเรื่องธรรมดาอะใช่ค่ะจริงๆโยมว่าความทุกข์ของคนเรามันก็เกิดจากความกลัวนะคะ กลัวไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงกลัวกลัวไปก่อนไม่ต้องทำกลัวแล้วก็อยากได้แต่อนาคตที่ดีๆใช่ค่ะแต่ยังมองท่าไม่ดีไงก็มองความจริงอนิจจมันไม่มมันไม่แน่นอนอ่าถูกค่ะใช่ค่ะใช่ไงกระแตก็ขอให้พระอาจารย์ยังอยู่กับลูกสิษิไปแบบนั้นเท่านานนะคะ ยงยอมผมยังยยไ<อ>งยอ ม, มมาได้ยินเสียงพระอาจารย์นมันก็ชื่นใจมันอยู่ได้ก็ดีเลยมันอยู่ไม่ได้มันได้พระอาจารย์เดี๋ยวยมบอกลูกชายไปเรียนโรบอทมาสร้างหุ่นมาช่วยเราสร้างหุ่นเราแทนก็นแล้วกันอ๋อไม่เอ า, าพระอาจารย์ไม่มีใครแทนพระอาจารย์ได้แน่นออนค่ะ <c oughs> โอเคยังไงยอมลงกวนพระอาจารย์เท่านี้เจ้าค่ะได้ยินเสียงพระอาจารย์ตก็ ดีใจมากเลยเจ้คาค่ะขอบพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้คาค่ะสาธุค่ะคุณคนนคอวิเศษสกลนครกราวนามสการพระอาจารย์ครับอ่มเป็นยังไงก็ได้ฟังพระอาจารย์พูดแล้วก็ดีใ จ, รจครับพระอาจารย์ครับ ผมยังจำได้เมื่อครั้งที่ไปบุญการไปกราบหลวงปู่ทองคูณท่านบอกว่ามันมาเจอเอ่อหลวงปู่มันดีแล้วท่านบอกว่าอย่างงั้นครับท่านบอกว่าไงบอกว่ามาเจอหลวงปู่มันดีแล้วท่านบอกว่าอย่างนี้อ๋อครับก็มาเจอพระอาจารย์ก็ก็เหมือนหลวงปู่ทองคูณอืมอันนี้ภาพหายไปก็ยังไม่เสร็จ เปิดไปเป็นภาพอยู่นะไปก่อนเปิดวีดีโอละไม่ไม่ได้เปิดใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวอ่านยอดนำเหมือนเสียงเขาหายไปเลยครับคนยังหลดอยู่เนี่ยไปได้คนณทายาทตามไหมคุณทายาทอยู่ที่ไหนคุณทายาทอ่ตอนนี้อยู่ที่มหาสารคามครับมาทํางานอครับก็อย่าุปฏิบัติเรื่อยๆอยู่ ที่หายไปก็คือได้ไปปฏิบัติแล้วก็ได้แนวของตัวเองที่เหมาะสมมันะครับตอนนี้คำถามของผมวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับกริยามารยาทนะครับที่หน่อกพระภิกษุคำถามของผมก็คืออันนี้เป็นเรื่องมารยาทนะครับก็คนจะถามได้มนะั้งผมไปก็ อยู่ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยผมก็จะใช้เวลาอยู่กับวัดเป็นส่วนใหญ่เพื่อไปปฏิบัติในแง่ของการปฏิบัตินะครับผมก็จะพบว่ามีพระอยู่สามกลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระที่ผมเห็นว่าเริ่มใส่จริงๆนับถือรู้จริงๆเมื่อผมเจอพระแบบนี้ผมก็จะกราบลงกับพื้นนะครับอย่างสูงสุดด้วยความรู้สึกผมนะครับแต่ถ้า<ม>ว่าพระธรรมดา ผมก็จะแค่ยืนไหว้เท่านั้นเองก็จะมีพระอีกกลุ่มนึงซึ่งผมเห็นว่าพูดแบบทั้งโลกนะครับไม่น่าจะเป็นพระกลุ่มเนี้ยถ้าผมเห็นผมเรียกไม่ได้ผมก็จะยืนหลบหลีกข้างๆทางอย่างสำรวมหรือไม่ถ้าผมเห็นแต่ไกลผมก็จะเดินหลีกหนีเลยโดยไม่เคารพแต่ผมก็ในใจก็พยายามสำรวมไปนะครับว่าท่านก็เป็นพระกเหนียวก็ผมหลักคำถามผมคือ ในการปฏิบัติต่อพระกลุ่มที่สามเนี่ยทิงหน้าหนอนไม่ใช่จริงๆผมปฏิบัติถูกต้องไหมครับก็ไม่เสียหายตรงไหนก็ไม่เสียหายตรงไห น, นไอย่าไปด่าท่านก็แล้วกันอย่าไปด่าท่านก็แล้วกันอ๋อไม่ครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็จะยืนหลบข้างทางแล้วก็สารวมให้แล้วก็สารว ม, วร ม, รวมยืนเฉยๆก็แลไปครับแต่ถ้าหากเห็นถ้าผมเห็นใกล้ๆเนี่ยผมจะเรี่ยงหนีเลย Okay, ก็ทำได้ก็หลบเดินได้ก็เดินหลบไม่ได้ก็ทำใจเฉยวางวางใจเฉยเฉไปครับผมก็แสดงว่าคำถามว่าผมดีจริงที่ผมปฏิบัติเมื่อพบดีถูกต้องแล้วใช่ไหมครับสมควรแล้วใช่ไหมครับก็ถูกต้องสําหรับคนนะสำหรับคนะ บ, คบางคนเขาอาจจะว่าทั้งหมดเขาไม่แคร์ว่าดีช่วยยังไงพอถึอเวลาผมผ้าเหลือก็ให้เกตเข้าไป อย่างนั้นถ้เผ่อว่าพูดในแนวของสูงสุดเลยก็คือก็ให้เกียรติในฐานะให้พระเหลี่ยงเขาหอมพระเหลี่ยงเขารอบพระเหลี่ยงไม่ได้ไม่ได้เขารอบคนครับผมครับและการที่ที่ผมแบ่งแยกสองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คืออย่างพบพบเจ้าวาดหรือพระที่อยู่มานานเนี่ยนะครับแต่ของอย่างเด็กอันนี้ผมจะกล้องกับลงกับพื้นเลยกับแบบนี้ก็คือยื น, นไหว้เฉยๆก็ไม่ต่างกัน<ม>ใช่ไหมครับก็ไม่ต่างมันมนมันวิธีของเราเนี่ย คนใ<ล>นบ<ก>้านจะจไม่ได้ทำเหมืเรา <ๆ S 2> คนก็บ้านจะกราบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นจเจ้าอาวาสหรืเป็นใครก็ตามครับผม ม, มันก็ดีอยร์ถ้าเราทําได้มันย์ทิฏฐิของเรามานะทิฏฐิของเราอ๋อครับครับผมครับเพราคุณมากครับอ่าไปที่คุณจสดินทอนไปเวลานึงกันคุณจีเพิ่งออกไปเอายัองอยู่กานพระจารย์เจ้าค่ะ วันนี้โยมไม่มีคำถามเลยค่ะ <Yeah. S 2> มาฟังธรรมมาคังนี่สงบดีนะก็ไม่ค่อยสงบครับอาจารย์ถึงไม่กล้าพูดอ่ะพอดีที่ออฟฟิศเขาชวนไปทานข้าวเย็นค่ะพระอาจารย์แล้วก็กลับมาติดมากเลยค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยวันนี้ก็เลยไม่มีคำถามค่ะยังปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์ไม่เป็นไร ต้องใช้เวลานหนึ่งค่ะอยู่อยู่ทั้งโลกก็อย่างเนี้นะมีมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาค่ะก็แต่พยายามจะใช้พยายามจะใช้ธรรมะนะคะเหมือนกับว่า<ม>เข้าใจว่าเป็นอนิจจังอนัตตาเราก็รู้ว่าตอนนี้มันไม่เที่ยงตอนนี้เราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องทําตามเพราะว่าเหมือนเขาแกนบังคับว่าทุกคนจะต้องมาร่วมงานอย่างนี้นะคะรับ่ล้ ง, อ, งลอกอยู่ อยู่ทางโลกอยู่ก็ต้องเขาเขาเหลียวอยู่เมืเหลียว่าต้องเหลียวตาตามเลค่ะแต่มันใจมันก็รู้สึกไม่ชอบไม่อยากกลับมาเราก็รู้สึกว่าเราหมุดหยิดเราเสียเวลาเราไม่ได้นั่งสมาธิมันก็มันก็วนๆอยู่อย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ใดที่เรายังไม่ได้มีถ้าเราปฏิเสธได้ก็ลองปฏิเสธไปเลยคขาเขาแก้บังคับเลยอะค่ะเขาบอกว่าทุกคนค่ะเยวก็เลยเขาบังคับเขาลงไปก็ลองไป เจ้าขาพระอาจารย์ก็โยอมก็ไปค่ะแล้วก็กลับมาแล้วก็รู้สึกอย่างที่กล่าวเรียนพระอาจารย์ว่าพอกลับมาแล้วก็รู้สึกไม่ไม่มีความสุขอะค่ะแต่ก็แต่ก็ต้องทําอะค่ะแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติใหม่รู้สึกว่ามันเวลาเราขาดไปหรือว่าใจเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันกว่ามันจะกลับเข้ามาสงบนี่มันยากพอพอจะนั่งสมาธิมันก็มีเรื่องราวผุดขึ้นมาผุดขึ้นมามันไม่ค่อยสงบอะค่ะพระอาจารย์ อืทําต่อไปค่ะพระอาจารย์อ่ยายมถ้ า, ลาลหลบได้หลบหนีได้หนีถ้าเราไม่ได้หนีไม่ได้ก็ไปก็ ท, ทําไปทำค่ะค่ะพระอาจารย์ก็อยไม่อย่าไม่อย่า ไ, ไ, ไม่ทําด้วยความยินดีก็แล้วกันปุน๊บปั๊บพระอาจารย์<笑><笑>อย่างเช่นมีอร่อยอร่อยเนี่ยยมก็อาจจะย์มีบ้างสู้สู้เ่งลยไม่ไหว พออาหารมายมก็หลุดเลยค่ะอาจารย์แต่ก็นอกนอกจาก น, น, <laughs> นั้นก็พยายามปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ไม่ควร<ค>จะเสียใจไม่ควรจะเสียใจยกกแล้ว <laughs> อยากกลับมาแลพวกลับมาได้ค่ะอาจารย์ตอนอยู่ตอนมันคิดไม่ออกค่ะอาจารย์ก็ <laughs> นั่นแหะค่ะก็ก็ดีค่ะอ <laughs> าจ <laughs> ารยก็หมืนเริ่มใหม่ถ้าเสียใจก็กสมนําหน้าเวลาทํานองไม่คิดก่อน บอ่าอุตส่าห์สะสมมาตั้งนานไม่ออกไปข้างนอกเลยมาเป็นเป็นปีเลยนะครับอาจารย์นี่ถูกบังคับก็ต้องก็ก็ต้องทำแสดงฤทธิของกิเลสเนี่ยมันจะขังมันไว้แนนานพอปล่อยมันออกไปปุ๊บในมันเหมือนหมือนัวบาดค้องลมันก็โจรเลก็โจรออกะตอนนั้นก็ไม่กล้าเรียนพระอาจารย์ไม่เป็นไรเรื่องธรรมะพูดคุยกันได้อาจารย์บวชเรียน ให้คนอื่นเขาได้รับรู้ด้วยอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราเก่งนะค่ะไม่เก่งเลยค่ะพออกไปถึงก็แพนหลุดลุยเลยค่ะแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรก็ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่เอามาเป็นบทเรียนสอนใจค่ะับขอบคุณพระอาจารย์นะคะขอให้พระอาจารย์ด้วยขอบคุณค่ะโอเคไปให้คนเก็บปิดอยู่่าปิดบัณฑิตมบนลัง ออเมื่อวานนี้เพื่อนกันามาผูกับกับผิงคนที่มาใคยมาประจําด้วยกันอ๋ออาจารภูมิเหรอครับ <S <S อ๋อกรับยังไม่ได้เห็นรูปเขาลงเหมือนกันครับน่าจะอ่าเขาเห็นเขาเขาพูดอยู่ครับว่าอยากจะไปหาอาจารย์ครับเห็นแต่ตัวตัวเขาก็มีเรื่องได้เกลใจกับทางคุณดีครับว่าตัวเขาเหมือนเ ข, เขาเหมือนแบบอ่า ทำจิตอาสาตึงเกินไปอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนเขาก็เริ่มกลับมาอ่าเหมือนมาบาลานชีวิตเขาใหม่ครับอืมครับกเมื่อวันที่ทำอะไรื่อง ท, ทำด้วยสติอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปทําทํำสายกลางครับแล้วก็วันเมื่อวันสวเสาร์ก็เป็นวันอุจจาจิตของพ่ออารมณ์กดว่ระบาทหลวงพ่อครั บ, รบท่านก็พูด แต่ก็ ท, ท้ายท้ายพระอาจารครับที่แบบมีเมตตาก็ต้องประกอบด้วยปัญญาเหมือนกันครับเมือเออม่อวันเ<ไ>สาร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปฝึกไปเรียนนวด ซ, ซึ่งครูที่สอนเขาก็ฝึกปฏิบัติธรรมครับเขาก็เลยบอกเออทุกอย่างมันก็ต้องกลับมาที่สติแล้วก็กลับมาดูใจครับก็บ<ม>เลยเหมือนเออมันมันเหมือนได้ได้เรียนสองอย่างภายในสองวันนั้นครับ<ม>ว่าเออทําอะไรก็ต้องใช้สมาตีแล้วก็เหมือนใช้ใจย้อนสติครับ ก็ <Okay. S 2> ย, ยังปึกอยู่คับอาารโอเคแล้วที่ที่ชนวันนี้ฝุ่นเยอะไหมครับาาที่กรุงเทพทีเอ็มสองสบ้านี่เยอะเลยครับปืะมาเก้าสิบโลตันนี้ดูดูในในคอมนั่นมันบอกเครื่องวัดในคอมมันบอก 90. เก้าสิบ<อ>เครื่องตรวจอาจารย์ของของเครื่องไม่ใช่ของที่ว่าที่รายงานรายงาน อ, อากาศของ ของของเฟซของของเนี่ยเป็นของม้าของไมโครซอฟท์ของวินโดว์มีรายรายงาการคุณรูมิสูงต่ำเท่าไหร่แล้วก็ฝุ่นรู้สึกฝุ่นจะเก้าสิบเก้าสิบกว่าองุงเตัวแดงก็เลยนึกถึีาารบอกว่าตอนนี้ไลน์สิบห้ามันสีแดงขึ้นมาอ๋อ หน้านาวมันก็เป็นอย่างนี้อาการมันจะค่อยเหมือนต้องไม้เหมือนหน้าฝนหน้าฝนมันฝนันจะค่อยชําระออกไปเรื่อยๆครับขอขอให้อ่าพักผ่อนพักการแข็งแรงนะครับไม่มีคําถามครับอ่าขอบคุณพี่มาเลยไม่ได้ไม่ต้องการจะพูดหรือใช่ไหมเนื่องประเด็นเป็นหมาผมที่ตรงนี้จริงเนี่ยบางที่คนบางว่าอะไรหน่อยนะคุณบางว่าอะไร กลับนมันส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนคุณเชลินทอนค่ะเรื่องเรื่องทางทางโลกใครยังเยอะอยู่แต่ว่าก็ก็จะดีกว่าตรงที่เวลาเราเราได้เปรียบเทียบค่ะแล้วก็เร่งปฏิบัติเราสงบดีค่ะเพราะว่ามันเห็นทุกข์ได้ชัดเจนแล้วมันก็เลยทำให้เราเราเปรียบเทียบได้ยเยอะค่ะวันที่หนูไปงานซาปารตีค่ะเมื่อทิตที่แล้วที่นายงานปาระอาจารย์ค่ะดูพอดีหนูก็ไม่สนุก คนหน้าหนูเขาก็เพิ่งมาบอกมาหาหนูวันนี้ยค่ะเขาบอกว่าทําไมหนูดูไม่สนุกเลยหนูก็บอกว่าหนูไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่แต่ในขณะเดียวกันหนูเห็นเหมือนกับพนักงานเขาเต้นงเงี้ยมันเหมือนกับแบบมันเหมือนกระทะทองแดงที่เขา <c oughs> ที่เขาโขลกรอยเงี้ยหนูก็บอกว่ า, <c oughs> วามันมันเป็นแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยเดินออกไปข้างนอกก็เจอพนักงานเมาอ้วกแตกอะไรเง<ม>ี้ยหนูก็เลยอ๋อที่พระอาจารย์บอกนี่เองว่า ไปที่อะโครจรแล้วมันเป็นแบบนี้มันก็ไม่ดีเลยก็เห็นชัดเจนเลยค่ะพอเล็งให้งานเสร็จเสร็จปุ๊บ ก, ก็เลยค่ะกลับโรงแรมแล้วก็ไปนั่งสมาธิต่อรู้สึกว่าอย่างเนี้ยคือวันถูกเจร็จกับเราที่สุดแล้วค่ะ<ม>ก็ดีค่ะมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปฟังธรรมค่ะแต่ว่าหนูก็ใช้เวลาว่างๆค่ะนั่งสมาธิดูก็คือมันเป็นความอยากนะคะ เวลาอยากไปเจอครูบาอาจารย์เราไม่ได้ไปค่ะมันก็เลยทําให้เราเเล่งพอเล่งข่าวนี้เสร็จปุ๊บนะคะนั่งสมาธิได้ยาวถึงชั่วโมงครึ่งเลยอะก็ก็เป็นอุบายอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะพอคนจะไปมันก็จะมันก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะปรับปรุงไปเรื่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นบทเรียนที่ที่ที่ดีเลยค่ะหมผมชอบค่ะขอบเพราะคุณจะค่ะ เป้าหมาย ห, หลักลก็คือให้เราอยู่ตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินไล่เฉยๆอ๋อหนูลืมบอกไปค่ะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหนูเจอลูกน้องลูกน้องเหมือนน่าจะน่าจะหักหลังอะ่ะทํางานแล้วมีปัญหากันแต่ว่าหนูอธิบายไปชัดเจนแล้วเขาก็เหมือนจะพยายามอธิบายหนูบอกว่าหนูก็บอกว่าไม่ต้องอธิบายหรอกหนูไม่อยากฟังที่เกลียดฟังทํางานไปอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้อุเบเอะขา แต่เจ้านายเขาก็มารู้ทีหนึ่งว่ามันเกิดเรื่องขึ้นก็เลยบอกเขาก็ถามว่าจะให้หนูทำจะให้เขาทํำยังไงแล้วก็จะหนูจะทํายังไงหนูก็บอกว่าก็ปล่อยเ ข, า เ, ขาเป็นไปแบบนั้นนะคะ่ะถ้าเขาถ้าเขาหายแล้วเดี๋ยวเขากงหายหนูก็หนูก็เลยมาดูว่าไ อ, อความที่หนูไม่ได้สนใจเรื่องเนี้ยมันทําให้หนูไม่ต้องมานั่งแบกความทุกข์ไว้อ่ะคะ่ะก็ทํางานของเราไปค่ะขอบพระคุณจ้าค่ะสาธุ คนที่ดีมาเชิญอันนี้อยู่ในรถนะตีมาในเห็นไห ม, มกลับน้องกา้ากับพระอาจารย์อวันนี้ออกมาเที่ยวนิดหนึ่งค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังฟังทำอยู่ค่ะทำทําไว้ด้วยเที่ยวไปด้วยก็ดีนะ <laughs> จะปลาสองมือค่ะพระอาจารย์น้ำมันจะหลุดไปทั้งสองสองมือเลย ขคุณพรอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามค่ะพรอาจารย์ยังปฏิบัติทุกวันค่ะโอเคทําำงินทำงานลูกมันไปด้วยกันไม่ได้นะอคุณพรอาจารย์พระอาจารย์ถ้าแข็งแรงนะสาธุมีใครที่เข้ามาเลยไม่ได้เปิดกล้องก็เปิดกล้องได้นะทําให้เปิดเดีวก็พระอาจาได้ตอนนี้ไม่มีใครเปิดกล้องนเดี๋ยวไปที่คําถามทางบ้านมากำลังกันวันนี้มีคําถามเท่าไหร่เชิญ มีสองคำถามค่ะพระอาจารย์ค่ะคำถามจากคุณเสงนะคะทั้งสองคำถามเลยค่ะหากไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ค่อยเข้าวัดแต่สวดมนต์ทาสมาธิทุกวันพยายามรักษาศีลแบบนี้จะใช้ได้ไหมครับขอคําแนะนําด้วยครับได้แต่แต่มันก็จะไม่ได้ความสุขจากการทําบุญทาทานแต่มันถ้านั่งสมาธิได้ก็ทดแทนกันได้ความสุขของสมาธิแทนกันได้ดีกว่าก็เป็นปฏิบัติเหมือนพะ พระก็ไม่ได้ทำมุนทำทา่าพระก็นักษาศิล น, นั่งสมาธิไปคาถามต่อไปจากคุณแสงเหมือนกันนะคะการนั่งสมาธิรู้ลมหายใจแต่ไม่เข้าถึงความสงบเข้าถึงฌานแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะยังมีกำลังน้อยสติยังมีกำลังน้อยนั่งนั่งไม่นานพอต้องนั่งต่อ บ, บรจนกว่ามันสงบถ้าไม่สงบอย่าเพิ่งเลิกคาถามหมดแล้วค่ะอเค ถ ม, มแล้วทุกคนได้ถามหมดแล้วนะออ้เงั้นก็คิดว่าพอสมควรถึเวลาก็ขอให้ท่านต้องนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปท่า